จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัฟฟทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้จะเป็นวันที่เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่มาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็เชิญเข้ามาได้่จะต้องรีบเข้ามา ท้เข้ามาที่หลังก็อาจจะเข้าไม่ได้เพราะคนมากแต่ก็ไม่เป็นไราสามารถส่งคำถามเข้ามาทำเพจได้ทางยู u b e ได้วันนี้ก็เริ่มต้นกับเด็กๆตามเคยคุณรักคุณอยู่เปล่าวันนี้นักคุณไปเล่นอีกแล้วค่ะพระอาจารย์กาับแทนน้องค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหม ไม่มีค่ะช่วงนี้กําลังเตรียมตัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะพระอาจารย์อทําไมแล้วกระซามีเล่าลยค่ะพระอาจารย์กําลังกําลังอันนี้นนจังอันนี้จังไม่เที่ยงนะค่ะพระอาจารย์มีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาอต้องรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ทันไปยืนไปติดก็จะทุกข์นะกําลังพยายามค่ะ เอ่อต้องทําใจยอมรับความจริงอยู่คนเดียวได้ไม่ไม่ตายหรอกมีธรรมะอยู่คนเดียวสบายจะตายไหมค่ะอ่ะอาจตายอาจตายเห็นแต่โนนาโถมยายามพึ่งตัวเองว่วาค่ะค่ะอาจารย์ดีที่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ค่ะเออท่านมีธรรมะแล้วไม่ไม่ไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นค่ะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ทีแรกนี่เกิดไม่ดับเป็นธรรมดาค่ะทีแรกกำลังคิดว่าอันนี้เราทำเพื่อตัวเราเองหรือเปล่าเราควรจะทำเพื่อลูกไมมหรือว่า เ, เ, เราเราทำความเด็ดเดอนให้ลูกหรือเปล่าแต่พอมาคิดอีกทีอย่างที่เคยฟังพระอาจารย์พระอาจารบอกว่ากรรมใครเป็นของของตั ว, ต, วตัวเองใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแค่นี้ที่เหลือก็ดูแลลูกต่อไปอ น, นี่คิดถูกไหมคะอาจารย์ก็เราต้อง ตาตามตามเหตุการณ์ว่ามันเป็นไปได้ทางไหนก็เป็นไปทางนั้นไปอย่าไปขัดกับความจริงค่ะมามจริงไม่ได้เหมือนฝนมนฝนตกเนี่ยจะบอกให้ไม่ตกก็ไม่ได้ก็ต้องหัดอยู่กับฝนตกไปนั่นเองค่ะก็คือทำตามมันทำไปถ้าอันไหนทำได้ก็ทำไป อันนี้ทำมาได้นนก็ต้องอยู่กับมันไปค่ะพระอาจารย์ อ, อันนี้ก็แบบพยายามทําทําจิตใจให้สงบแล้วก็เอาพุโทโธเป็นที่ตั้งค่ะอ่าโอเคนะกราคร่ะพระอาจารย์วันนี้ทาบุญตักบาตรไป ด, ด้วยค่ะอ่าอ่าสาธุอ่าไปที่ตะวันจูเนียร์ก่อนนะตะวันทอแลนด์อันนี้ไม่อะไรไหมเรวันนี้แค่มีหนึ่งคำถามครับ เอว้ามาเอโรงเรียนเราได้ยินเสียงของพนุโนุพันธ์นายจินทร์ครับได้ยินเสียงอะไรนะกองพนุพนุพันครับเสียงอะไรนะหมายถึงว่าที่โรงเรียนเขาได้ยินเด็กเขาคุยกันถึงเรื่องพนโน่นธ์ครัพระอาจารย์เขาก็าาาเลยอยากจะถามพระอาจารย์ค่ะพอดีโยมอธิบายเขาเข้าวๆแล้วนะคะแต่ว่าเขาอยากจะถามพระอาจารย์อีกรอบหนึ่งะคะว่าพนโพนุคืออะไรนะคะพนุพันธ์นายจินร์ครักพระอาจารย์ เขาได้ยิง เ, เด็กที่ต้องรวมตัวกันนะคะอ๋อก็เป็นภาพโป้ภาพเลยคนไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยเท่า น, นั่นเองก็เป็นเหมือนกับดูสัตว์อ่ะสัตว์เขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหมาแมวนิงอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ใส่เสื้อผ้าคนที่ไม่ใส่เสื้อผ้ามาถ่ายรูปอวดก็เป็นเหมือนพวกหมาพวกพวกแมวนี้เ่า น, นั้นเองอย่าแกล้งคำสาคัญกับพวกเหลานี้ ว่าเขาเขาเขาเขาเลือกทางของว่าอยากจะเป็นเหมือนหมาเหมือนแมวกันก็ถึงทําตัวเหมือนหมาเหมือนแมวเขจาใจไหมเราอยากจะทำไหมอยากจะไดพาไปโรงเรียนดูหมได้ค่ะบอกบอกครูบอกครูว่าผมไม่อยากจะเป็นพอล์เนอผมอยากจะอ่าเป็นบาปไหมก็มันเป็นสิ่งที่ คนที่มีศีลธรรมจะไม่นิยมทํากันเพราะเหมือมกนก า, การกระทําที่ถึงแม้ไม่บาปแต่มันก็เยี่ยงสัตว์เดรัจฉานมนุษย์นี่เป็นมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์รู้จักผิดถูกดีชั่วรู้ถูกว่าอะไรควรไม่ควรสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ค่อยรู้สังเกตดูหมากระแมว่าจะทําอะไรเขาไม่ก็ด้สนใจว่าถูกหรือผิดก็เลยเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเราอยากจะทําตามเขาเราก็เราว่าเราก็จะเป็นเหมือนเขาเราก็จะเป็นเหมเือนสัตว์เป็นราชาทําะไรตามความพอใจของเราไม่สนใจว่าจะถูกจะผิดจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเข้า ใ, ใจไหมถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็ต้องทําตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์มนุษย์ก็มีวิธีอยู่ของมนุษย์มนุษย์ไปไหนมา ไ, ไห น, ไไหนก็อาใสยเสื้อผ้ากันเะขาแต่งหนแต่งตัวให้เรียบร้อย เขาจะทำอะไรเขาต้องรู้จักที่ว่าสาธารที่สาธสาธรณะกับที่ปารีเวทไม่เหมือนกันเวลาจะถ่ายจะอุจจาระจะฉี่ก็ต้องเข้าไปในห้องน้ํา <c oughs> ไม่เอามานั่งทับกลางแจ้งใช่ไหมอ่าเนี่ยคือมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเขาเขาทําได้ทุกที่ทําในที่แจ้งก็ได้ในที่รับก็ได้เขาไม่สนใจเพราะเขาเป็นสาาัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้จักว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไร ถ้าเราไม่อยากจะเป็นสัตว์เดเราาัจฉานเราก็ต้องดูตามตามมนุษย์ว่ามนุษย์เขาทํากันอย่างไรเข้าใจไหมยัง <c oughs> คุณแม่มีอะไรเปล่าไม่มีค่ะพ่อช้างอย่างเงี้ยนะท่านนี้ก่อนนะขอพ่อชจางขอประคุณมากไปที่น้องน้องฝนนะ้องทีมน้องทีมกับคุณแม่ฝนเนาะข้ามา กับนักวิชาการค่ะพระอาจารย์วันนี้เขาพอดีตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เข้าสู o พระอาจารย์แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะเข้าอ่ะค่ะเพราะว่าเขามีคําถามมาที่กับให้กับถามหลวงตาค่ะหลวงถามมาถามได้เลยถามได้เลยคื อ, อทําไมอะครับคนที่เขาชอบดื่มเบียร์กันนะครับมันอร่อยหรอครับมันขมจะตายไปครับขอลองขอลองคุณพ่อลองดื่มสักคำหน่อยเลยดื่มได้ไหม<ล>ไม่ได้หรือ แล้วทำไมเขาถึงชอบดื่มกันเหรอครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันเหมือนสิ่งที่ไปกดประสาททำให้เวลาเครียดนี่ความเครียดมันหายไปชั่วคราวเหมือนกินยายาแก้คลายความเครียดแต่มันมีพิษมีภายินแล้วจะทำให้เหมือนเมาจะไม่มีสติควบคุมการพูดการกระทำของเราบางทีอารมณ์ไม่ดีก็พูดไม่ดีออกมา ทำไม่ดีทําให้ผู้อื่นก็เสียหายเดือดร้อนแล้วก็ทําให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่อายุสั้นจะเป็นโรคทางกระเพาะทางตับทางไตนี่อยู่อายุจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปได้ถ้าถ้าติดการเด่นมากเกินไป อย่าไปลองของพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะถ้าเครียดก็มานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมดีกว่ามันทาความเครียดได้ไม่มีพิษมีภัยเข้าใจั้มคำว่าเครียดเข้าใจค่ะเวลาไม่สบายใจเนี่ยอย่าไปอย่าไปหาอะไรมาระบายมานั่งทานั่งพุโทโธพุโทโธทาใจให้สงบเดี๋ยวความเครียดก็หายไป แล้วูกจะถามก่ถามไหมรื่องสมาธินั่งสมาธิอ่ะคือว่าก่ well, อนนั่ง ส, สมาธิครับคือตอนนั่งสมาธิครับมันไม่มีสมาธิครับมันพอมีวิธีแก้ให้มันมีสมาธิไหมครับเออตอนแรกก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิก็ต้องใช้การสวดมนต์สวดอินทียโ <c oughs> ส e T P ไปหลายหจบ จะกว่าจะรู้สึกว่าจะนั่งเฉยๆนั่งดูลมหายใจได้และนั่งพุโทโธได้ค่อยเปลี่ยนมาเป็นพุโทโธเป็นการดูลมหายใจใช่ได้ครับนะสวดมนต์ไปก่อนนะครับเข้าใจแล้วนะที่ตอนแรกเขาเหมือนตอนแรกเขาไม่ค่อยอยากสวดมนต์นะคะคืออยากจะนั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้ก็เลยอยากให้เขาให้พระอาจารย์เมตตาบอกเขาดีกว่าเขาจะได้ฟังนะคะ่ะสวดมนต์แล้วจะมีสติจะทําให้มีกําลังนั่งสมาธิได้ค่ะ นะลองทําดูนะค่ะครับได้ค่ะคุณแม่ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์จะได้ไป <Okay. S 2> กลับ ค, ค่ะอะไรที่จำแม่กัญญาที่ถางพี่นะวันนี้คุณแม่หายไปไหนกล่าวรัวสักการะพระอาจารย์ครับวันนี้คุณแม่อยู่ที่ห้องหนึ่งครับ ค, คุณแม่มีความเจ็บเป็นธรรมดาครับอเอ่าอืมแล้วเราเป็นยังไงบ้า ง, งสบายดีเลยสบายดีค่ะอ่าวันนี้มีอะไรไหม วันนี้จะมาสอนเป็นว่าครับว่าอาไรเราเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่เป็นไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพลความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายเป็นไม่ได้เราจะระาัดระวังต่างๆคือว่าเราจะต้องรับผิดจากของระของเจริญใจเท่าไรกังวล เรามีกรรมเป็นของของคนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพึ่อาศัยเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นภัยยากคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆถึงไปเราทํางหลายคนที่ดลนาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอแล้วร่างกายของเรามีอะไรบ้าง มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยอในกระดูกน้หัวใจตัทงถึกใตปอดใช่ยากช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแยสมองชินะน้ำมีน้ำทะเลน้ำเหลืองน้ำเลือน้ำเหนือน้ำมันขนน้ำตาน้ำเหลือน้ำลายน้ำมูกน้ำเหลข้อน้ำตาลน้ำเหลืองน้ำตาลข้น น้ำเหนือน้ำเงื่อน้ำเหลืองน้ำเำสลน้ำดีเพ่อให้สมบูรษส ะ, สษะอาหารก่าอาหารไหม่ใช่น้อยใช่ใหญ่ปลอดใจผังพืนตับพ อ, พอใจม้ามอยในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนันนงต า, า, งาับาอ่า ต้องคอยอาบน้ำอยเรื่อยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่อาบน้ําก็ส่งกลิ่นเหมือนนะ่ะส่งกลิ่นเหมือนไหมส่งส่งค่ะนะั่นแหละแล้วไปไปลักร่างกายทำไมใช่ไหมง่าอรักที่ตรงไหนเข้าใจไหมเข้าใจครั บ, รบอ่ต้องมองให้เห็นนะว่าร่างกายไม่สวยงามร่างกายสกรปกรกไม่ไม่หอมอย่าไปหอม อย่าไปหอมร่างกายของคนอืนเหม็นจะตายไปครับท่าต้องคอยอาบน้ำอยู่เรื่อยต้องคอยชาระอยู่เรื่อยไปกรอบไปกอดของเม็นทำไมไปหอมของเม็นทาไมใช่ไหมครับทอานมีอะไรจะถามไห่วันนี้ไม่มีครับเราทำสมาธิทุกวันอยู่หรือเปล่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถาครับว่าอะไรนะพร้อม ก็แม่ครับแม่ไหวอยู่ครับช่องนี้ครับไม่ไม่มีใครพาทำนะแต่ก่อนนอนก็พุดโทพ้พโรครับไม่พอหรอกต้องนั่งสมาธิสักยี่สิบนาทคีครับครับนะแม่เป็นอะไรก็ปล่อยเรื่องของแม่ไปเรื่องของเราถึงเวลาเราต้องทำทำให้มันเป็นนิสัยครั บ, รบนะยพยายามฝึกไปเรื่อยๆต่อไปก็จะทำง่ายถ้าอยากจะทำทุกวันด้วยพอทาแล้วจะมีความสุข ครับโอเคนะมี uh, ed, ะกกะอะไรไหมไม่มีแล้วครับโอเคทำไมมีอาทิตย์ก่อนนะครับกล่าขนาพว่คุณพระจางครับอ่าไปที้คุณหมอพิเชวมานี้มาเร็วหน่อยกล่าวนมรสกพระจา์ครับเด็กเขาจะแล้วพอเริ่มสู่ปุ๊บแอดมินกดปุ๊บ ผมหลุดออกไปเลยฮะก็เลยต้องไปเข้าใหม่่ออยยูกลมันมันหลุดออกไม่ใช่ครัมันหลุดออกจากซูมไปเลยครับก็เลยไม่เป็นอย่างนี้มาสองครั้งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสัดข้องที่ทางผมหรือว่าทางแอดมินก็ไม่แน่ใจมันจะไปกดกลุ่มผิดหรือเปล่ามันผลกดแทนที่ให้เข้ากับไม่ให้เข้าเขาให้ออก ได้ <S <S <S ไกดไปกดรีบูฟเข้ า, ราหรนะือเปล่ามันนะบางทีอาจจะกดแต่ก็แต่ก็ได้เข้าเข้าใหม่แล้วก็นั่งฟังไปตลอดครับอาจารย์วันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบสงบ อ, งอ่าสงบของใจที่มีสองระดับระดับชั่วคาวระดับเท้าวรระดับชั่วคาวก็คือการเข้าสมาธิ ทำใจใสงบด้วยการเจริญสตินั่งอยู่ลมหายใจเข้าออกน้กพุโทโธพุโทโธไปเพื่อหยุดความสิบปุ่มแต่ถ้ามีสติมีกำลังมากก็สามารถเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วถ้าสติมีกำลังน้อยก็ต้องฝึกสติให้มากก่อนก่อนที่จะมานั่งควรพยายามฝึกสติทั้งวันน่าจะตื่นขึ้นมาเลยเปินตาขึ้นมาก็เจริญสติด้วยการนึกถึงพุโทโธพุโทโธไปภายในใจ หรือไม่ฉะนั้นก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าเราฝึกสติเป็นได้ดีเวลานั่งสมาธิจะนั่งสงบได้ง่ายได้เร็วและสงบได้นานแต่ก็ยังเป็นความสงบแบบชั่วคราวพ่นั่งได้สักพักหนึ่งแล้วจิตก็จะถอนออกจากสมาธิมาพอมันก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ ความสงบก็จะค่อยๆหายไปถ้าอยากจะได้ความสงบใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปใหม่นี่คือระดับของสมาธิได้ชั่วคราวต้องกลับเข้าไปอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะได้แบบถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ระงับความอยากต่างๆเวลาใจออกจากสมาธิมา พอเห็นอะไรได้ยินอะไรก็อยากอยากจะสัมผัสทันทีอยากจะเสพทันทีอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะต้องนาทําเป็นอยากจะอ่ะทํานู่นทํานี่อ่อยคุยความอยากใจก็เลยเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มไม่สงบใช่ไ่ะเริ่มต้องใจต้องต้องวิ่งเต้นต้องไปทาตามความอยากถ้าไม่อยากจะให้ใจไม่ไม่วุ่นวายไม่วิ่งเต้นไม่กระ อ่าไม่กวนกวาดกระสับกร ะ, ระสายก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ระงับความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่รับใจอยากนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขอย่างรูปเสียงกลิกก่นรสจะมันเป็นสิ่งชั่วคราวไม่ช้านัา่นเอวก็จะต้องมีวันหมดไปเมื่มันหมดก็จะทำให้ใจเศร้าใจทุกข์ได้บางอย่างก็หมดแล้วนะไปไปดื่มไปดืมเครื่องดื่ม ครับมีความสุขได้จากนั้นเดียวเดียวก็หมดะอ้วเดียวแล้ ว, วก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาเพราะความสุขที่ได้จากการดื่มนั่นมันหมดไปแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขใหม่ก็ต้องดื่มอีกถ้าหาดื่มไม่ได้ต้อมีปัญหาร่างกายดื่มมากมากไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นความสุขเชื่อชั่ ว, ช, วชั่วคราว ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดไปไม่สามารถให้ความสุขเราได้อย่างถาวรแต่ถ้าเราสามารถรับความอยากต่างๆได้ใจที่สงบจากสมาธิมามันก็จะไม่มันก็จะไม่หายสงบมันก็จะสงบไปตลอดเพราะตัวที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความอยากนี่พอหยุดความอยากได้ใจก็กลับมาสงบ เราไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจใจก็จะสงบไปตลอดอันนี้เรียกสงบด้วยปัญญาอันนี้เป็นความสงบที่ถาวรเราก็เรียกความสงบนี้ว่าพระนิพพานเป็นความความสุขที่แท้จริงที่จะไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุดไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายใจก็สงบตลอดไดนะ น่ากายจะเจ็บจะตายจะเป็นอะไรก็สงบไม่เดือดร้อนอันนี้สงบด้วยปัญญาแต่ก่อนจะสมงบด้วยปัญญาน่าต้องเอาสงบจากด้วยด้วยสมาธิก่อนด้วยสติก่อนเพราะเราจะได้เห็นคุณค่าของของความสงบว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็อยากจะรักษาวความสงบมันไว้บากครั้งเวลาใจไม่สงบเพราะเกิดความอยากเราก็ต้องหาวิธีหยิบความอยากให้ได้ ด้วยความอยากด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่าสิ่งต่ตางๆที่เราอยากเป็นทุกข์หรือถ้าเราไปหลงเห็นสิ่งที่สวยงามแล้วต้องพิจารณาเห็นว่ามไม่สวยงามที่ร่างกายเห็นร่างกายของคนอาจจะหลงรักหลังหลงชอบเขาแต่พอพิจารณาอาการฐานที่สองขึ้นมามันก็จะเห็นว่ามันไม่สวยงามมันก็จะคลายความอยากได้ขึ้นมาได้ เราใช้ปัญญามองให้เห็นว่าเป็นทุกอย่างเป็นไปยรักเป็นอนจิจจังเป็นของชั่วขาวอนัตตาเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะควบคุ ม, มคบังคับให้ให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งเก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วหมดไปเราเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่เคยได้จากเขาก็หายไปเราไม่มีความสุขมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจขใึ้นมา อันนี้คือการการใช้ปัญญาเพื่อกำจัดความอยากอย่าไปอยากกับอะไรนะั้นอย่าไปอยากกับรูป ก, กับเสียงกลิ่นรสและอย่าไปอยากกับฌานสมาธิถ้าเรามีปัญญาแล้วแม้กระทั่งสมาธิเราก็อยากไปอยากเอาความอยากในสมาธิก็ยังทําให้เราทุกข์ได้เพราะว่าสมาธิก็เป็นของชั่วข่าวไม่เทีย่ยวนานมันสงบได้ความสุขของเราแต่เราไม่สงมบมันก็ให้ความความความทุก ข, ข์กับเราได้ แต่เบื้องต้นต้องละความสุขจากสิ่งต่างๆก่อนว่าความสุขจากลาบยศสรรเสริญแล้วความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก่อนละไดแล้วทีนี้ก็ค่อยมาละความสุขอยากความจากสมาทีธิก็พอละได้หมดแล้ใจก็จะไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากใจก็จะสงบเป็นธรรมชาติของใจ ความอยากนี่เป็นตัวที่มาสร้างความความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจเวลาใจไม่มีความอยากใจก็สงบในเวลาเข้าสมาธิความอยากก็หยุดทางานชั่วคราวก็จะเห็นโทษของความอยากน้ปัญญ า, ย า, ยาห้ามความอยากด้วยการใช้ปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นของที่ไม่น่าไม่ควรอยากได้พรามันเป็นของชั่วคราว อ๋อเข้าใจนะคุณหมอครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ขอบขอบขอบคุณครับอาจารย์ยังไงการปฏิบัติดีไหมตอนนี้ก็ฝึกตั้งสมาธิทุกวันตอนเช้าก็เข้าสมาธิได้ก็ยังยั ง, ยงไม่ได้ทุกวันบางวันก็เหมือนจะเข้าแต่บางวันเขาเข้าได้ดีอยู่ในสมาธิแล้วก็มีความสุขอย่างที่พ้าอาจารย์บอกอลองหาลองหาเวลาทําทั้งวันบ้างเป็นยังไง วันพระแลวันหยุดอลยเราทำแบบอินเทนซีฟหนึ่งแบบเทมคนดนึงครับอาจารย์นราจะับ้ันจะได้ก้าวหน้าจะได้มีการพัฒนาขึ้นไปครับหะนะครับอาจารย์กับคุณไปที่คุงเทพดิมากรุงเทพนอนเมือากับนอสการกลัพระอาจารย์ อ่าอาหนูยังถือศีนอยู่ค่ะพระอาจารย์ยังถือศีแปดได้เกือบได้ครึ่งทางแล้วค่ะพระอาจารย์เออพวกนี้ก็ครึ่งทางแล้วใช่ค่ะแล้วก็ยังปฏิบัติหน้าสมาธิทุกวันค่ะอืมีสิ้นเดือนค่ะวันพุธวันพุธสิ้นเดือนหนูจะขึ้นไปถือศีนบนเข่าชีโอนค่ะพระอาจารย์เออนางหนูไปขึ้นไปได้ยังยังค่ะครั้งแรกเลยค่ะเออไปคนเดียวเลยไปกับแม่เพผ้าค่ะอ่าค่ะ แต่อย่าไปคุยกันนะอย่าไปพบกันแยกกันอย่างนะี้เขาให้นอกคนละหลังค่ะพระอาจารยอ์อย่าไปคุกคีกันค่ะจะปฏิบัติให้ได้เยอะที่สุดค่ะนอนอยู่นองไม่ชั่วกิเลสอยู่ชั่วความอยากค่ะ<อ>เราไปอยู่คนเดียวมันก็อยากไปหาคนต้องหาคนนี้อยากไปทํานู่นอยากไปทํานี่<อ>มันจะทำให้เราเครียดแต่ถ้าหยุดความอยากได้มันก็อยากหาเครียดค่ะ ดีโอเคค่ะพะอาจารย์พรอาจารย์ท่าแข็งแข็งแรงค่ะอาจารย์ครับขออนุญาตครับเพปป้าอยู่ข้างล่างนะครับอยู่โอเคอเพปป้ากับเปป้าก่อนมามาเพปป้าเป็นยังไงพูดเลยพูดได้เนะหนูมีอะไรไหมวันนี้จะถามอะไรหรืเปล่ามาอาจเรย์ขำหตามาเดินมารดินราชการขำหูตา น้ามีอะไรไหมวันนี้นอนจะให้ดูกานบ้านเหร อ, อไม่ต้องฟังอย่าเพิ่งเข้าจากจอนะเอะอบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็เหนื่อยบางวันก็มีหัวภาษามากบางวันก็ราบเรื่อนใช่ไหมชีวิตเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา หนูลาบมันได้ไหมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ไหมอ่าไม่ไม่เข้าใจค่ะอาจารย์เดี๋ยวไว้ค่องภาษาอังกฤษครับภาษาไทยก็ไม่เข้าใจแล้วก็อ่าไม่ค่อยเข้าใจค่ะอืมเอาน่ไม่ได้พูดภาษาไทยกับแม่เลยไม่ค่ะอ่าสอนแต่ภาษาอังกฤษนะ ค่ะกับพ่อเขาพูดไทยค่ ะ, อะโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรปบอย่งั้นไม่มีอะไรแล้วค่ะโอเค้วก็ไว้พระสนุนนั่งสมาธิน ะ, อะโอเคไปที่คุณ อะไนะคุณสาธารณเลยใช่ดูวันนี้ภาพเปลี่ยนไปเลยจาไม่ได้เคยมีอยู่บนเขาแลนะ้วเนสาธารณมาอยู่บนเขาค่ะพอาจารย์อยู่ได้กี่วันแล้วอยู่ได้เจ็วันแล้วคะ่ะเย็นแล้วะอ๋อ oh แป๊บเดียวน ะ, ะมาฟังธรรมพระอาจารย์เนือกี่วันขาเอือกี่วัน พรุนี้วันหนึ่งสามวันออืม อ, อยากอยากจะกลับใหนะ้แล้เฉยเฉยเฉยเฉเป็นแบไก่บินหรือเาเวลาเวลาได้ออกจากกรงนี่เหมือนไก่บินเวลาเข้ากรงมันหา ก, กินนอะลูกลกโลกเป็นคนชอบอยู่เฉยเฉีอะค่ะแบงค์ลูกลกเป็นกนขี้เกียจ <c oughs> อมัน่ได้จาดปูประตูกรงว่าเมื่จะเปิดนะ ที่ไ ม, มเพราะว่าปกติอยู่แบบลูกก็อยู่ชอบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อืมดีอ่าชอบชอ บ, ชอบอย่างเงี้ยถูก้วชอบสันโดษชอบชอบความวิเวกนะวิเวกสันโดดเป็นสัญ<น>ลักษณ์ของของผู้สงบธรรมะอื่ที่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ชอบแบบเหมือนว่า แกต้องออกไปข้างนอกบ้างไปแบบรับรู้เรื่องคนอื่นแต่จริงๆลูกก็ออกไปหาพ่ออะไรอย่างนี้แค่นั้นแต่กับคนอื่นนะลูกไม่ชอบเออไม่ต้องไปหนระอกพราะนั้นมันทางโลกเราไปทางธรรมได้<า>เพรว่าต้องปิดไม่เวกไม่คุกเกกับใครลูกบอกลูกไม่ชอบคุณพ่อมันเหมือนเป็นการเปิดปัญญาคุยกับคนอื่นลูก ปัญญาทางโลกก็เป็นปัญญาของกิเลสเท่านั้นนะใช่ลูกไปเช่า อ, อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ฟังธรรมอ่านหนังสือมาค่ะฟังฟังพระพุทธธรรมพระสงฆ์ดีกว่าอย่าไ่ฟังคนชาวบ้านเลยอย่าบูมณาไม่รู้เรื่องธรรมะหรอกใช่แล้วมันคุยกันมันคุยเรื่องชาวบ้านสุดยอดอินตาการ์เลยเหมือนเทน้ํา เดีย๋ยวไปประมาณก็ทะเลาะ ก, กันเองคุยไปคุยมาเนี๋วก็ทะเลาะ ก, กันเองใช่ลุงชอบอิวเฉยใช่แล้วล่ะถูกต้องอโอเคนะถ้า<อ>ไม่มีอะไรไปก่อนน ะ, ะน้ำโมเจอน้ำโมกับคุณยายคุณยายสบายดนีนะน้โมปลไมยัง เปิดไม้ไม่เป็นนะเปิดได้แล้วนะแต่ว่ากี้ไม่มีมาให้เปิดไม่ผมเลยเปิดไม่นด้ครับงแรคุณยายสบายดีนะแข็งแรงไหวมาสวดมนต์ประเทศฟังธรรมแต่ว่าพระสวดมนต์ค่ะมาไงมีอะไรไม่น้ำมอ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอาจารย์แค่จะมาเรียนเรื่องการปฏิบัติว่าก็ยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์แล้วก็ตอนนี้พยายามที่จะฝึกพิจารณาายให้มากขึ้นครับยังเห็นยังเห็นพวงกนดูหรือว่าก็บางทีมันไม่แน่นอนบางทีมันเป็นครงกระดูก อางที่มันเป็นเนื้อปกติหรือบางทีมันเป็นอสุภะคือบางทีมันมาของมันเองผมว่าจะเราเราไม่รู้เหมือนกันมันมาแบบออโต้เดี๋ยวบางทีมันก็มาเป็นครงกระดูบางทีมันก็มาละลึกถึงภาพซากศพในหนังสือกายคตาสตีบางทีมันมาสลับกันไปสลับกันมานครับาจแเราไม่เราไม่สั่งให้มันมาเนี่ยมันไหวมันมาเอง ตอนตอนแรกๆสั่งบังคับนะครับผมมีปนจินตนาการบ้างแต่เอาไปเอามาพอมันไปเรื่อยๆมันมาของมันเองครับอาจารย์มาบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยก็หลายครั้งในหนึ่งวันครับผมอาจารย์แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะคงไว้ได้ตลอดมันมามาไปไปอย่างนี้ก็เราต้องทําให้มันยมาตลอดเลยครับอาจารย์ก็พยายามที่จะดูอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่พิจารณา าาาอาอจารย์น่ามานต้องดูไปตลอดเยอ่แยะเลยครับอาจารย์พยายามเอาหนังสือกายคตาสติหลวงตาบัวไว้ใกล้มือครับยังไม่เคยเปิด <laughs> ก็มีเปิดบ้างครับอาจารย์เปิดดูรูปแล้วก็ปิดแล้วก็วางไว้ที่เดิมกับอาจารย์แต่ว่ไม่ได้ดูบ่อยมากก็ดูเสร็จแล้วพอมันมาแล้วก็ถ้ามันหายไปนานๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะเปิดมาใหม่แล้วก็ อมันกลับมาแล้วก็จะปิดแต่พอมันหายไปอีกเราก็จะเปิดอย่างเงี้ยจะสลับบนไปบนมาอย่างเงี้ยครับพรจันทร์ก็ยังแสดงว่ายังไม่ไม่ดูยังไม่เห็นอย่างต่อเนื่องครับแ้นแทนก็เดี๋ยวจะไปทําให้มันต่อเนื่องคะเ <laughs> <laughs> อ่อ<ม> <laughs> ข่าวหน้ามาก็อาจจะต่อเนื่องขึ้นครับผมพระจานท์ <laughs> แล้วก็พระจันทครับแล้วเดี๋ยว เขาจะขอโอกาสพระอาจารย์ว่าถ้าเหตุปัจจัยพร้อมจะไปปฏิบัติที่เขาชีโอนครับผมก็จะอือมมาเรามาดูเลยอืมครับอาจารย์ติดพระอาจารย์มานานมากแล้วครับผม mm hmm. แล้วพอดีมีคุณน้าที่รู้จักเอ่าก็รู้จักพระอาจารย์นะก็เห็นว่าเอยมาชวนผมบอกอยากไปเขาชีโอนไหมผมก็เลยบอกอได้ได้ครับแลเดี๋ยวหาหาวันว่างไปร <Okay. S 2> ครับผมอาจารย์อืมครับวันนี้ม <What? S 2> ิดแล้ มีทะไ น, นะครับอยห้อาจารย์ธาตุแข็งแรงค่ะตจวคุณยายแข็งแรงนะอยู่ไปขอบคุณค่ะอยู่ไปเกินร้อยดีนะยังระลึกถึงท่านอยู่ตลอดนะค ะ, ะ, ะคุณกุญชอ น, นอนนงเชนโตทมะรับน้มันสกัด่ช้ให้จาย์ อาทิตย์ที่แล้วอยู่เชียงใหม่ทิศเลยค่ะพระาอาจารย์ได้ไปกราบหลวงปู่เบเกตแล้วก็ได้ขึ้นไปที่วัดป่าปางกื้ดของท่านด้วยอัศจรรย์ตรงที่ว่าครูบาอาจารย์ขึ้นไปได้ยังไงเพราะว่าทางมันชันมากท่านมาพราธทุกตรงกันน่าจะเก่งมากทีเดียวเลยค่ะบอกวาสงบดีค่ะนี้อาทิตย์ที่แล้วไปทัระก็เลยปฏิได้ปฏิบัติบ้างไม่ได้ปฏิบัติบ้างพอกลับมากรุงเทพก็เลยต้องมาเก็บตก เก็บตกทุกๆวันค่อนข้างเยอะก็เลยเห็นถึงสิ่งที่เริ่มเรียนรู้คือบางวันเนี้ยลูกจะพยายามนั่งบ่อยขึ้นเพื่อเก็บเก็บตกที่ไม่ได้ทําก็เลยรู้สึกว่าอย่างนี้ท่านว่าว่าถ้าเรามีโอกาสปฏิบัติได้บ่อยๆอย่ะมันเหมือนเวลาสมมติวันหนึ่งได้สักสามครั้งเนี้ยสามชั่วโมงครั้งละชั่วโมงชั่วโมงครั้งละชั่วโมงครั้งละชั่วโมงพอครั้งที่สามมันเหมือนมันจะเข้าได้เหมือนว่ามันจะสงบได้เร็วขึ้นมาก ทีเดียวมันก็ว่ามันจะแบบทําได้ง่ายขึ้นกว่าครั้งแรกๆทีเดียวในวันเดียวกันถ้าเราทำมีโอกาสได้ทําบ่อยเะว่าปฏิบัติได้บ่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เห็นว่ามีมี ม, ม, มีตรงนี้ที่เห็นว่าแถ้าวันหนึ่งเราทํามีเวลาว่างแล้วเราได้ทําเนี่ยก็ดูเหมือนจะช่วยทําให้การปฏิบัติเนี่ยมีความก้าวหน้าที่ดีปฏิรรต์เราต่อเ น, น่นอนใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้น เหมือนแบบง่ายขึ้นอ่ะคะ่ะมันก็ว่าไม่ต้องใช้เวลานา น, านกว่าที่เราจะสงบอะไรนะคะก็จะเป็นตรงนั้นนี่ลูกมีคําถามว่าอ่านหนังสือว่าอย่างกําเขาใจว่าเรามีกรรมฐานทั้งหมดสี่สิบใช่ไหมคะอาจารย์รเราจําเป็นต้องต้องแบบปฏิบัติทั้งลองทั้งสี่สิบไหมคะคือสงสัยเฉยๆว่าไม่จาเป็นอ่ะไม่จําเป็นคือมันเป็นเหมือน มันเป็นมัอนอาหารสี่สิบชนิดเวลาอาหารคุณสั่งอาหารทั้งหมดร้านหรือเปล่าก็ไม่ได้สั่งอย่างนั้นใช่ไหมคุณก็เรือกอาหารที่ถูกกับคุณนะกรารมฐานสี่สิบมันก็มันก็แต่ละแต่ละคนมันก็อาจจะเหมาะสมไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแนละ้วระดับจิตของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันกรรมฐานมันมีหลายระดับด้วยระดับปัญญาก็มีเช่นทรากศพสิบชนิดนี่ก็เป็นระดับปัญญาอืม เป็นสมาธิด้วยแล้วก็เป็นปัญญาด้วยอแต่มันเอมาะกับคนที่มีสมาธิแล้วมากกว่าเอาที่เริ่มแข็งแรงแล้วสมกติได้นะจิตไม่แข็งแรงเอาก็ดูไม่ได้สุภาษิต ส, ส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นที่ อ, อ น, อนุสติสิบเนี่ยมีกลุ่มอยูอนุสติสิบชนิดให้เลือกเอาพุทธา น, นุสติกับพุทโธธามานุสติกับธรรมโมสามา น, านุสติก็บสามโค อา น, นาบันสติก็ลมหายใจก็กายกตาสติก็การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายมานานุสติก็เรืถึงความตายเช่นเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นธรรมดาโลกมนุษย์ขามตายไม่ ไ, มได้เราสามารถเราใช้ได้แล้วแต่การละเทศะแล้วแต่ว่าเราอยู่ในในในใ น, ในเหตุการณ์อย่างไร อย่างไงมันจะเหมาะกว่ากันการเวลาเดินสเลือกทาอะไรนี่พุโทโธจะเหมาะหรือการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายจะเหมาะเวลานั่งนี่ดูลมหายใจจะเหมาะกว่าหรือพุโทโธอันนี้มันก็แล้วแต่ซึ่งก็บางทีถ้าเราไม่รู้ก็ต้องไปอาศัยศึยศยกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ท่้นก็สอนันตัวที่เหมาะกับทุกคนก็นกคือพุโทโธนี่พุโทโธนี่ทำํทำทาได้ตลอดในทุกกิริยาบท ทุกเวลา ừ, ừ, ถ้ า, <ช>ถาไม่เหมาะกับเราก็ดูกายแงตาสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป <ừ. S 2> เวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกไป <ừ. S 2> ừ, บาง <ừ. S 1> ครั้งก็อาจะให้นึกถึงความตายถ้าจิตมันหลงระเริงมากเกินไปก็ให้นึกถึงความตายบ้างอืซึ่งพวกนี้เราอาจจะต้องมีการสอบถามครูบาอาจารย์เป็นระยะใช่ไหมท่านคเพราะว่าสงสัยว่า เ, เราจะรู้ได้ยังไงว่า อันนี้ยไม่เหมาะกับเราแล้วเราควรจะไปใช้อันนี้อะไรเงี้ยค่ะแค่สงสัยเท่นั้นก็ต้องลองผิดล่องถูกดูว่าตอนนี้จิตแล้วเป็นอะไรเมื่อจิตเรากําลังบ้าการมาหลงรึเปล่าบ้าการมาห ล, ลงก็อาจจะต้องใช้อสุภาษิตการสามสิบสองเวลาจิตตอนนี้เราโกรธใครเราต้องใช้เมตตาให้อภยัยไม่จองเวนเวลาเราลงเราเลยคิดว่าเราจะอะ่อยู่ไปตลอด กำลังหลงกับความเจริญความสุขก็ให้คิดถึงความตายบ้างดูดําเหตุไปด้วยดูสภาพจิตของเราว่ามันกำลังถูกกิเลสตดนไหนหลอกหนึ่งก็ต้องธรรมะมาสกัดมันแต่โดยหลักทั่วไปถ้าปฏิบัติแบบทั่วไปนี่ก็ไม่มีปัญหาไม่จิตไม่มีอารมณ์อะไรจิตเป็นปกติก็่ใช้พุทธานุสติหรือใช้กายกตากายกตาสติไป นี่คือเบสพูดโธนี่จริงๆโยมรู้สึกว่าช่วยได้มากเลยอยู่ได้ทุกกับทุกสถานการณ์จริงๆอ่าใช่าบางครั้งพุดโทมีความโกรธไม่ได้ก็ต้องใช้ความเมตตามาใช้ต้องให้อภัยเขาใช่ค่ะนี้โยมอยากให้พระอาจารย์ให้คําแนะนําโยมแม่โยมหน่อยครับคือโยมแม่เนี่ยมีอาการปวดหัวทุกกลางคืนเลยค่ะครานี้ก็ได้โยมแม่เหมือนได้คําแนะนํามาว่าให้ปฏิบัติให้ลองใช้ ทำมาโอสถโยมแม่ก็พยายามมากแต่ว่าไม่สามารถทําได้แล้วทุกตีสองต้องลุกขึ้นมากินยาก็เลยอยากจะแนะนำโยมแม่ให้เริ่มอย่างไรเดียค่ะพระอาจารย์สวดมนอมันต้องหาเหตุฝ่ายว่ามันปวดหัวพ่ออะไรถ้าไม่าหาสาเหตุไม่ถูกมันก็จะแก้ไม่ถูกใช่ไหมถ้ามันเป็นทางร่างกายก็ต้องไปหาหมอให้หมอตรวจดูว่ามันเป็นอะไรประสกประสาทเรืออะไรหรือเปล่าอืที่ทําให้ปวดหัวขึ้นมา ถ้าป่วยเพราะเพราะกังวลวิตกหวาดกลัวอะไรอันนี้ก็ต้องใช้ธรร ม, มะทำใจให้สงบ ใ, ใช้พุโทโธพุโทโธสวดมนไปเป็ตรงไปว่าทุก อ, อย่างไม่เที่ยง อ, อย่ารักต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็ต้องหาสาเหตุที่ถูกต้องก่อนในื่จะแก้ปัญหาได้ถูกใช่ค่ะเพราะว่าโยมแม่ทานยามาเป็น ยี่สิบปีเลยครับ <จน S 2> อาจารย์ห ม, ม, มอมาเยอะมากจนมีก็มีคนแนะนําว่าอาจจะต้องใช้การฝึกสมาธิเข้าช่วยเรา อ, อาจจะช่วยนั่นแหละ <ๆ S 2> คนแนะนําก็พูดไปตามปากเขาอยากจะพูอะไรเขาก็พูดไปเขาไม่วิเคราะห์ก่อนแล้วเขาเป็นอะไร่ะเหตุที่ทําให้เขา ป, ปวดหัวใช่ไหมใช่ครับโอเคก็ไม่ใชค่ะก็ต้องวิเคราะห์ด้วยปวดหัวเพราะอะไร ถ้าเจ้าตัวไม่รู้ล้คนอื่นจะรู้ได้ยังไงอื ม, อ ม, มใช่ใช่ใช่ถ้าปวดเพราะร่างกายไม่ปกติก็ต้องหาหมออืมถ้าปวดเพราะจิตไม่ไม่ปกติก็ต้องทําให้มันจิตให้สมองบใช้พุโทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้จะให้เราไปถามให้โยบแม่ลองสังเกตตัวเองอืผสมประสานไปดูก็ได้ถ้าท่าน จะช่วยได้ฮะเรื่องต้นก็มีประมาณนี้ยงลูกกำลังพยายามหาเวลาจะขึ้นไปที่เขาชีโอเหมือนกันค่ะอาทิตก่อนนู้นมียงมีมิอนยติธรรมคนหนึ่งมาเจอยงที่ที่ทำ ง, งานแล้วก็บอกว่าเขาจองห้องไว้ได้ว่างไหมจะแบ่งห้องให้อะไรเงี้ยปรากฏว่าเป็นเวลาที่ไม่ว่างสาุษบกมาตามหาเราเขาบอกว่ า, าอยู่แถวพัฒนาการเห็นจากซูว่าเราอยู่แถวพัฒนาการไม่ลู้มันไปาหาเจอได้ยังไงทั้งนั้น อืมน่ารักมากบอกว่าจองห้องเอาไว้แล้วพอดีเพื่อนยกเลิกเราบอกว่าโอ้เราเสียดายเราไม่ว่างพอดีะตามมาถึงบ้า น, น า, งงานได้เลยนะใช่ค่ะตามมาถึงที่ทํางานได้เลยค่ะท่านโดยที่ไม่รู้จักเรามาก่อนนใช่แล้วก็บอกก็เห็นเราจากซูมพราะเขาบอกว่าทักเราดูซูมของพระอาจารย์ใช่ไหะอาจารย์เข้าไปดูในเฟซบุ๊กของเราแล้วมีโปรไฟล์อยู่เป็นไปได้ค่ะท่านอืมเอ้เยเอ้ยแต่ เนี่ยค่ะจากเบื้องต้นวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์อเราจะ <Okay. S 1> ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าพอปฏิบัติถี่ขึ้นเยอะขึ้นแล้วเราเห็นถึงความสงบก็เลยอย่างเมื่อเช้านี้สงบมากท่านรู้สึกว่าไม่อยากจะออกมาทํางานเลยไม่อยากจะออกไปประชุมเลยอืก็ดีความสุขความสุขกระจายอย่ากความสงบนี้มันแหนวกว่าความสุขทั้งปวงใช่ค่ะใช่ค่ะก็ออกลับ ขอบพระคุณพระอาจารย์ขอให้ท่านแข็งแรงพระอาจารย์สาธุจ้าที่โคเบยคุณจุอบโคเบย์ขรรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะไป อ, อาทิตย์ที่แล้วหนูไม่ได้เข้ามาเจ้าค่ ะ, ะเป็นโควิดวันพุธพอดีเลยเจ้าค่ะอ๋อเป็นแล้ว อ, อาการรุนแรงไหมอาการไม่รุนแรงเจ้าค่ะก็คือ แค่เจ็บคอค่ะแต่เป็นอาการเจ็บคอแบบเหมือนเป็นร้อนในในคอคอบวมอะค่ะอะไร mm hmm. อะไรไม่ลงเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. คือเป็นครั้งนี้ค่ะพระอาจารย์หนูเข้าใจความรู้สึกของเปรตหรือพวกสัมภเวสีที่ที่อยากกินแต่กินไม่ได้อะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. มันเป็นอย่างนั้นคือ <laughs> พอพอพอเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าอ๋อสงสัยเปรตกับสัมภเวสีคงเป็นแบบนี้แน่เลยเพราะว่า อาหารนะคะผ้าจา์คือหนูปกติดูปกติทุกอย่างไม่มีไอไม่มีอะไรนะคะแต่ว่ากินอะไรไม่ได้เลยค่ะแม้กระทั่งกลือน้ําลายก็ยังเจ็บะคะ่ะผอาจารย์น้ําก็เจ็บค่ะแล้วอาหารนะคะพระอาจารย์หนูทานได้แต่ข้าวต้มแล้วข้าวต้มที่แบบไม่ใส่อะไรเลยนะคะผ้าจารย์ถ้ามีเกลือหรือว่ามีบวยอูเมะที่ที่ญี่ปุ่นเขาจะทานข้าวต้มกับอูเมะบวยนะคะพระอาจารย์ ถ้ามีกรดบวยเข้าไปนี่ก็คือคอนี่ก็คือจะแสบปวดแสบปวดร้อนไปหมดอะค่ะ mm hmm. หนก็เลยนึกถึงเปลลดึกถึงสัมภเวสีอะค่ะที่ว่า mm hmm. เวลามีอาหารอะไรที่มีเขาอยากกินแต่เขากินไม่ได้เขาเขาจะกินได้แต่แต่ของที่เขากินได้เท่านั้นอะไรอย่างนี้ น, นะคะ mm hmm. หนก็เลยงสงสัยความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานของพวกเขาคงเป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างงี้คะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. อย่าไเปาเป็นเปร์ก็แล้วกันคือหนูไม่อยากเป็นค่ะพระาอาจารย์แล้วก็ตอนที่หนูตอนที่หนูป่วยค่ะพระอาจารย์หนูหนูก็มีความคิดนะคะว่าถ้าสมมติเกิดเราตายขึ้นมาจะเป็นยังไงไะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีข่าวคนตายเพราะโควิดก็เยอะใช่ไหมคะอืหนูหนูก็ตอนนั้นหนูก็นอนหนูคือปวดหัวตัวร้อนมากเลยนะคะก็นอน ก็ก็คิดว่าเออถ้าตายก็ตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนมีร่างนึงมีมีแยกออกเป็นสองดวงจิตคิดขึ้นมาตายก็ตายไปเลยแต่อีกร่างหนึ่งที่ติดอยู่กับตัวเนี่ยค่ะน้ําน้ําตามันไหลไม่หยุดเลยค่ะพระอาจารย์มันน้ําตามันไหลเพราะว่ามันเสียดายค่ะพระอาจารย์เพราะว่ากวัวเราจะเกิดมาชาติเนี้ยถ้าหนูตายไปตอนเนี้ยยังไงหนูก็ต้องมาเกิดอีกเพราะว่าหนูยังปฏิบัติไม่ถึงไหนเลยแล้ว นี่ยชาตินี้เกิดมาอุสาได้มาเจอครูบาอาจารย์อุสาได้เห็นทางที่จะไปแล้วถ้ามาตายซะก่อนนี่ก็เสียดายคะ่ะพระ อ, อาจารย์มันก็มีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมานะคะพระ อ, อาจารย์ณนะตอนนั้นนะคะ mm hmm. แต่ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ดีขึ้นแล้วคะ่ะพระ อ, อาจารย์มันมันก็ดีนะคะที่หนูป่วยเป็นโควิดเพราะว่าหนูได้มีเวลาปฏิบัติ ดีดีกว่าตอนที่หนูมีงานทําทํางานเป็นปกติในชีวิตประจำวันเองค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าหนูได้มีเวลาคือถ้านอนก็นอนถ้าถ้าตื่นขึ้นมานั่งก็นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์อ mm hmm. แล้วนนี่จะเป็นวิกฤตกับเป็นโอกาสอันดีคเป็นโอกาสที่ดีอันนึงเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วพอเป็นโอกาสที่ดีอันนึงเนี่ยหนูก็ได้เสรดหาบทสวดมน์ ก็คือหนูหนูได้เจอหนูเจอบทสวดมงตพ่ชงนะคะพระอาจารย์พโพชงโคป ฏ, ฏิสังขติสังขารตัวอะไรเงี้ยค่ะหนูหนูอยากทราบจังเลยค่ะพระอาจารย์ทำไมเขาถึงคนทั่วไปหรือตามที่เสด์ในหนังสือตามที่เสดจในใน c e b o o k กอะไรในในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาจะบอกว่าพ่ชงเป็นบทสวดที่ทำให้ให้หายจากการป่วย แต่เท่าที่หนูศึกษามาช่วงเวลาที่หนูป่วยเนะะี่ยค่ะหนูมีความรู้สึกว่าโพ่อชงนี่มันเหมือนเป็นบทสวดที่ให้เรามีสติอยู่กับตัวแล้วก็ให้เราเล่งเร่งเพียรภาวนามากกว่า<ม>ใช่ไหมคะพระอาจารย์โพ่อชงนี่มันเหมือนธรรมโอษฐ์เนี่ยธรรมที่ส่วนนี้เป็นเหมือนธรรมสติสปัญญาพวกนี้จะทําให้เป็นรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย พอส่วนเข้าใจมีผู้ชงบั้มใจที่เศร้าสร้อยหเหงาเหงาก็เป็นใจที่เบิกบานขึ้นมาใจที่กล้าหาญใจที่ไม่หวาดกลัวกับความเป็นความตายของร่างกายส่วนยาบางทีร่างกายมันยังไม่เป็นอะไรแต่ใจมันเป็นไปก่อนนะอย่างนี้พอมีมีธรรมะเข้ามามีผู้ชงเข้ามาปลุกความเข้าใจให้ถูกต้องว่า ร่างกายมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันเกิดแกเจ็บตายอใจไม่ได้เป็นอะไรพอใจรู้สึกตัวขึ้นใจก็เลยเบิกบานใจเลยไม่ไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่วิตกไม่หวาดกลัวก็บางทีมีกําลังที่จะสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมาเดินยืนทําอะไรได้บางคนก็เลยคิดว่าหายหายเจ็บไข้ได้ป่วยทา้งร่างกายนะครับดีหายหายเจ็บไข้ได้หาเจ็บไข้าทางใจเข้าใจไหม แล้วค่ะเั้ใจแล้วละค่ะแ ต, แต่ถ้าส่วนแล้วไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ปฏิบัติผู้ชมมันก็ไม่เกาดประโยชน์อะ ไ, ไรส่วนเฉยๆมันเป็นแต่ส่วนแต่ชื่อมันต้อง<ม>ต้องปลูกตัวมันขึ้นมาต้องปลูกสติปลูกผู้เบิกขาปลูกปัญญาขึ้นมาธรรมวิจยโยก็คือปัญญาหนูหนูสวดแล้วหนูหาคําแปลด้วยค่ะพระอาจารย์<น>เพราะว่าสว ด, สดๆก็ให่อยากรู้ความหมายจังเลยอืหนูชอบคําว่า ภาวิตาพาหุรีกตามากเลยค่ะพระอาจารย์มาแต่การทําความเพียรใช่ไหมนี่ไงค่ะแปลว่าเราต้องเร่งความเพียรหมือนทําความเพียรเรื่อยๆเจ้าค่ะภาวนาเรื่อยนะคะนี่แหละมันเป็นปกให้ปลปลูกให้ใจนะอหายหายเครียดหายซึมเศร้าเนี่ยแล้วก็ยิ่งขึ้นมาเลียบเรื่องมาปลูกให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมา เจ้วค่ะพอดูเบค้าขึ้นมาค่ะอพอสวดถึงคํานี้ปุ๊บนะทําให้หนูรู้สึกแบบไม่ไม่นอนต่อดีกว่าเราป่วยเรามานั่งสมาธิดีกว่าอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะมันก็หายป่วยใช่ไหมค่ะเจ้าค่ะมันดีมากเลยค่ะอืมมันเป็นธรรมะสถเป็นยารักษาใจไม่ใช่ยารักษาร่างกายร่างกายก็ยังเป็นอยู่แต่ใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกายเจ้าค่ะ ก็ถือว่าดีอะค่ะพระอาจารย์หนูติดโควิดครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเพื่อมากกว่าเดิมอลเจ้าค่ะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติใช่ไหมนะเรานมก็ไม่แน่นอนจะเป็นจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้งั้นอย่าประมาทให้รีบเร่งทำความเพียนเสียแต่บัด น, นี้แล้วค่ะเจ้าค่ะโอเคนะแล้วค่ะอันดับที่หนึ่ง น, นะ ขอบพระคุณแค่จำเจ้าค่ะอาจารย์ภูมิใจที่กรธรรมองจารย์เมื่อกี้เห็นคนคนดุกลเดินจงกรมอยู่นะอาการย์สวัสดีค่ะเดินจงกลมอาจารย์สบายดีสบายดีนะอาจารย์สบายดีนะคะโอเคุก หน้าตาดูสดชื่นนะฮะให้พักผ่อนให้หลับได้เงี้ยเพื่อ น, นเพื่อนดูอายุเยอะค่ะปฏิบัติยังยังไม่ค่อยถึงไหนค่ะก็เลยดูอายุเยอะหน่อยอาจจะเป็นเพราะความเครียดเนาะความ่ีอบความรังวลเมื่อไป่พวกเราก็คิดว่าเราไม่มีนะคะ แต่ก็คงอยู่ข้างในเพราะเวลาไปหาหมอที่ไรวัดความดันแล้วมันสูงมากอยู่บ้านแล้วปกติมากถ้าการเดินทางมันก็ทำให้เกิดความดันสูงกันได้เดินไปหาหมอเนี่มันต้องออกกาลังใช้กำลังกายความดันก็เพิ่มได้บางทีหมอบอกให้พักก่อนพักสครู่นเพื่อ่อตัว มันสีก็สูงกว่าเดิมไลค่ะวัดแขนซ้ายเสร็จมาวัดแขนแขนขวาก็สูงกว่า เ, เดิมค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะ<อ>ก็กลับมาสักการมพรเจารย์เดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้าวันศุกร์นะคะ่ะจะได้ไปตักบาทพาเพื่อนๆไปไปสิทธิชีวิตค่ะไปไปตักบาทพจาจริญ ม, มาเจอเมื่อที่เทล่า ก, ก็มีเพื่อนๆมาสองครอบครัวด้วยกัน ใช่ใช่ค่ะครอบคัวหนึ่งเป็นครอบครัวเดิมนะคะอาใช่ทคนกทมาได้คัเอมีโทรศั์เข้ามาอ๋อเพื่อนค่ะ่รับไม่ได้ด้วยเฟสครับโอเคนะเอาท่านนี้ก่อนนะครับอาจารย์คะเดี๋ยวค่ะขอกลับกับขาวันศุกร์นาค่ะจะไปไปอยู่ที่ที่ หลักบาทที่หน้าโรงแรมค่ะได้ได้ค่ะภาคคนะขึ้นเดี๋ยวนี้บินธบัตทุกวันนะเดี๋ยวนี้นั่งรถทุกวันนะเดินไม่ไหวแล้วอ๋อนั่งรถทุกวันค่ะดีค่ะสุขภาพได้แข็งแรงอืแงานมันเจ็บมันมากกว่าเดิมใช่ไหมคะอ่ามันมันเจ็บเร็วขึ้นมากกว่าเดิมระยะสั้นขึ้นอะไไม่ไหวอ่ะค่ะนั่งนั่งทุกวันนะนั่งรถดีกว่าค่ะอืมสบาย นั่งเขาจะหลับ <laughs> อราไม่ไม่เห็นเห็นพระอาจก็ต้องขยบซ้ายทีขยบขวาทีนะคะอ๋ออันนี้เพราะต้องข้ามข้ามถนนไงบางทีญาติโยมอยู่ด้านซ้ายบางทียอยู่ด้านขวายก็<ไ>ต้องขยับไปตามตามด้านที่เขาอยู่ค่ะอันนี้ไเป็นไรไม่ไม่ไม่ยุ่งยากสบายดีก็ก็ให้รักรักษาธาตุขันไว้ดีกว่าค่ะจะได้โกรด<ห>โปรดโปรดสัตว์อย่างพวกเราได้เรื่อยๆ ไดคือมันก็ได้อย่างเสียอย่างถ้าได้เดินมันก็ได้ออกกาลังกายแต่ถ้า cleaning, so ไม่ได้เดินมันก็ไม่ได้ออกกาลังกายแต่ไม่ต้องทรมานร่างกายไม่ต้องให้มันเจ็บมากกไนไกลค่ะเดินเดินก็เหนื่อยก็ไม่ไม่เหนื่อยนะคะแต่ถ้าเจ็บกระดูกมันเจ็บจริงจริงนะคะอืมเพเพาเป็นเป็นกันอยู่โอเคนะท้านไม่เสียไม่เจอกันง่ายนะถูกนะค่ะ ไม่ใช่สุกทนี้ไม่ใช่ผูสุกไม่ไม่ค่ะสุขที่ยีสิบสองค่ะเพื่อนซึ่งไม่เคยทําอะไรทั้งนี้เลยหลายคนก็ไปเพื่อนทั้งๆก็ไปค่ะอ่านีได้ได้พาพาไปเปิดไปเปิดสวรรค์ไปเปิดประตูเพื่อนช่วยไม่คิดว่าเขาบางคนไม่คิดว่าเขาจะอยากจะสักบาทวันนี้ก็เจอกันเขทําว่ามีมีปลายบอกสิบห้าอะไรเงี้ยก็ยังงงว่าอืมเอาจริงอ่ะเนี้จะตื่นลงมาจริงเหรอ มาก็เลยรู้สึกดีค่ะที่ได้ฟาไปค่ะสาธุจ่าคุณมัชการ์ค่ะไปที่คุณหมอสุรัตนีะทุมธานีนมัชการ์ท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกอยากทราบมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะในข้อมงคลสามสิบแปดประการในข้อที่ว่ามาตาปิตุอุปถานัง อเราจะเจริญอย่างไรให้สมบูรณ์เจ้าคะก็เลี้ยงดูท่านให้ท่านอยู่อยู่ดีกินดีเหมือนเราเถ้าท่านเลี้ยงดูตัวท่านเองไม่ได้เราก็ต้องเป็นเป็นผู้เลี้ยงดูท่านเหมนกับเวลาที่ท่านเล้ยดูเราตอนที่เราเป็นเด็กเนีก็ทดแทนมิตรคุณไปตามตามอัตภาพตามความสามารถของเราคืออย่างน้อยเราต้องท่านต้องไม่อยู่ท่านต้องอยู่ดีกินดีเหมือนเราแล้วดีกว่าเราไม่ใช่เราอยู่ดีกินดีกว่าท่าน ก็คือหลักของการเล้งดูบิดามารดาทางด้านทางด้านร่างกายปัจจัยสี่ทางด้านจิตใจถ้าสามารถชวนให้ท่านไปทาบุญใจบารนักษาศีลภาวนาอะไก็ทำไปอันนี้ก็เป็นทางทางด้านจิตใจเจ้าค่ะพอจะอยู่ว่าวันนี้คุณพ่อส่งไลน์มาเจ้าค่ะส่งบอกว่าพ่ออ่านหนังสือของพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะ เรื่องสัมมาถิฎลูกดีใจมากเลยเจ้าคะ่ะเพราะว่าลูกไม่ได้พูดอะไรกับท่านมากแค่บอกว่าท่านพระอาจารย์เป็นอาจารย์ของลูกอลูกกับคุณข้ออยู่คนละที่กันเจ้าคะ่ะอืหนังสืออะไรนะนังสืออะไรหนังสือเรื่องสัมมาทิฐิเจ้าคะ่ะสัมาทิฐินนไม่ทราบว่าท่านไปหามาจากไหนเจ้าคะเพราะว่าลูกไม่ได้ไปอืมก็ดีถ้านด้อ่าหนังสือธรรมะ ก, ก็แสดงว่าท่านสนใจธรรมะก็ดี ก็มีโอกาสก็ชวนให้ท่านเข้ามาฟังทำในซูมก็ได้เวลาที่ไม่เปิดดูไม่ต้องเข้ามาในห้องก็ได้ค่ะรู้สึกดีใจมากเลยเจ้าค่ะวันนี้ก็ดีอุปถัมภ์ก็คือการดูแลเล้นอยูท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายเหมือนเราเนอะ้าค่ะ น้องนำไปปฏิบัติเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์อ่าสาธุนางคุณนิสาเอ<ม> <LA. S 2> แอล ก, <ม>กับนวัสการ์ค่ะพระอาจารย์มากราบน้ัสกาดพระอาจารย์ก่อนคะ่ะพอดีเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปวัดค่ะพระอาจารย์ ว, วัดไหนวัดวัดป่าธรรมชาติค่ะพระอาจารย์ออที่เคยไปค่ะ ใส้านอยู่ตรงไหนนะอ ย, อยู่อยู่เมืองลับคอนเต้ค่ะฮาร์จาร์ลาบคอนเต้ลาบคอนเต้ค่ะอยู่ตอนกลางไม่ไม้มันค่ะอยู่ทางขึ้นไปทางูก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจทิศทางค่ะไปทางทางเหนือนิดนึงอค่ะไ ม, ไม่ไม่ไกลจากจากจากตรงเอเอเท่าไหร่ค่ะแค่ประมาณชั่วโมงนึงค่ะอ๋อค่ะ ก็ไปใส่บาตนะคะพระอาจารย์เป็นไปทางซานปานานโดเป็นไปทางั้นอ่ะใช่ใช่มันไปทางฟีเวเช่นนะคะพระอาจารย์ไปทางซานเบอร์น่านเอนไปทางตะวันออกทางตะวันออกใช่ใช่ไปเลยทางเอ่อใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะนบนานี้นลูกค่ะลูกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้จเป็นไม่ได้เป็นคนขับ ้็ค่ะก็ไปใส่บาตรค่ะแล้วก็ที่วัดนี้เขาสวดแบบแปรดีแปรมีแปรด้วยะค่ะก็ดีค่ะอาจารย์ไปทำบุญทำไปทำบุญเพรว่าไปไปไปปฏิบัติไปไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดนี้เขาลูกไม่มั่นใจว่าเขาบีปฏิบัติอน่าจะมีไปไปไปใส่บาตรค่ะค่ะไปใส่บาตรค่ะคอาจารย์ก็ใส่บาตรก็จะใส่บาตรสิบโมงคึ่งค่ะ อตอนนี้ก็ยัง6โมงเช้าตอนนี้7โมงตอนนี้7โมงค่ะพระอาจารย์อค่ะยต้องใส่บั่วตรค่ะค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวก็มากราบพระอาจารย์ก่อนค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็อาจจะหลอกเดี๋ยวจะออกไปหรือไม่ก็ฟังข้างนอกค่ะพระอาจารย์ได้โอเคมีอะไรไม่ไม่มีนะไม่มีค่ะอย่าปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์กลับมาเข้มข้นแล้วค่ะเค ดีพยายามรักษาร ะ, ด, ะดับการปฏิบัติไม่อย่ายอา่อหย่อน<ม>ค่ะพระอาจารย์ทูกทราบค่ะเพราะเวลาย่อหย่อนแล้วกลับมามาเพิ่มมามรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยค่ะพระอาจารย์ค่ะ<ม>ก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเข้มข้นเหมือนเดิมแล้วก็มไม่ไม่ส่งจิตออกนอกแล้วค่ะไม่รับรู้ภายนอกเรื่องของภายนอกเยอะค่ะพระอาจารย์พยายามรักษาระดับไว้อย่าให้ลอย่าให้ลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นนะ ค่ะพระจางน้อมนำปฏิบัติค่ะพระจางปล่อยพระจางาตุขันแข็งแรงนะสัมมังกลาถุค่ะคุณมาลีพุทากาศกทมกราบลพ่อค่ะเสียงอะไรคือบาลีอ่าได้ยินได้ยินหรือไม่คะได้ยินแต่เสียงเสียงข้างหลังตอหายไปแล้วไม่ไม่มีไม่มีเสียงอะไรอะค่ะหลวงพ่อถ้าได้ยินเสียงค่ะ ได้ตอนนี้ได้ยินชัดไหมคะเสียงหนูได้ยินแต่มีเสียง background ด้วยขัดขัดใหาหายไปมันอยู่บ<ม>นรถหรืออะไรอ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะหนูอยู่ที่คอนโดเนี่ยคะ่ะ ม, มีพัดลมเปิดข้างๆค่ะอ๋อมี ม, มีค่ะเดี๋ยวๆดีพัดลมคนะ่ะบครับครับโอเคหายละหายล ะ, ยละไม่ไม ไม่ไม่ใช่นะยังมายังมาอย่มันเสียฝนตกมันฝนตกนไม่ไม่ไม่อะค่ะหลพ่อคม่ไม่มีอะค่ะไม่เวลาพูดไปพดไปอยาจจะหาเองก็ได้ค่ะหนูหนูยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อปฏิบัติทวันหลงพ่อหนูขอถามนิดนิดเดยค่ะที่ที่ว่าตัวรู้ผู้รู้อันเนี้ย เหมายถึงว่าเวลาเราปฏิบัติสมาธิไปแล้วอะค่ะก็คือเรารู้อยู่แก่เครื่องอยู่หรือว่าลมหายใจที่เราใช้เป็นเป็นตัวที่เรายึดไว้ใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ต้องคําว่ารู้ตรงเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าอาอกออกไปรู้ข้างนอกแต่รู้แค่แค่ว่าตอนเนี้เราเอาอะไรเป็นเครื่องผูกจิตไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อให้รู้ลมน้อรู้พุโทโธไป ถ้าถ้าอย่างเงี้ยหมายถึงถ้าถ้าจะมองอีกความหมายหนึ่งก็คือว่ารู้รู้อยู่ข้างในโดยที่ไม่คิดปรุงแต่งอย่างนี้ก็ก็คือใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้ ว, ไ อ, วไอ้ผู้รู้ตัวรู้ไม่ไม่ไม่ไม่จะเป็นตัวสําคัญเป็นตัวสําคัญก็คือตั ว, ต, วตัวที่ใจมันไปคิดเห็นเราต้องหยุดความคิดกันเราให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับ เราหายใจเข้าออกเพื่อให้มันหยุดคิ ด, อ ด, ค ด, ดพอหยุดคิดปัด๊บพอหยุดคิดปั๊บเราหายใจรูปุตตก็หยุดตามไปก็เหลือแต่ตัวรู้เฉยรู้เฉยรู้ ก, กับความว่างไปค่ะคือถ้าถ้าสมมติมันเป็นสมาธิแล้วค่ะเพราะมันจะไม่มันจะไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเฉยจิยจะเฉยนี่ยเเฉยะจะสักแต่ว่ารู้เฉยเฉยให้รู้เฉยเฉย ก็ ค, คือรู้เฉยเฉยคือหนูแค่สตตงสัยว่าที่ที่พูดกันว่าตัวรู้ตัวรู้ผู้รู้เนี่ยหมายถึงว่ามันรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกหนูเขาสงสัยก็ตอนตั้งรู้ลง ร, รู้พุทโธไปพอพุทโธลงความเิดถ่ายไปก็รู้รู้อยู่กับความว่างไอ๋อค่ะหลวงพ่อเข้าใจแล้วค่ะ <Hole S 1> หลวงพ่อคะแล้วถามอีกเรื่องหนึ่งนะคะหลวงพ่อเขาพอดีที่ที่ทํางานนะคะหลวงพ่อเขา เขามีหนังสือมาให้ไปสอบขึ้นทะเบียนเพื่อจะเลื่อนตำแหน่งอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยหนูปฏิเสธหนูไม่ไปก็มีคนมาพูดว่าทำไมไม่ไปไม่ไปสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแบบเนี้ยหนูจะถือว่าเป็นการกระทำที่มันไม่ฉลาดแล้วมันปิดโอกาสตัวเองไหมค่ะหลวงพ่อเพราะว่าหนูไม่ได้อยากคือหนูไม่อยากได้ตรงนี้แล้วค่ะหลวงพ่ อ, ห, อหนูก็เลยปฏิเสธไปไม่ไม่เอาะค่ะ ก็มันเป็นเรื่องของทางโลกไงทางราภโยชน์เสริญซึ่งเราอาจจะเห็นว่ามันไร้สาละมันเป็นก็เป็นทุกข์มากก็เป็นสุขคได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปได้แล้วก็ต้องอืองั้นในการปฏิเสธของเรานี่ปฏิเสธด้วยปัญญาเข้าใจไหมเห็นว่าเห็นว่ามันเป็นไตรละเห็นว่าเป็นทุกข์ใช่ค่ะหลวงคนที่ไม่เป็นปัญญาเขาก็จะคิดว่ามันของดีไง เขามองว่าหนูโง่ค่ะเพราะมันเหมือนโทรก็เต้นวันที่หนึ่งแล้วไม่ไปขึ้นรางวัลเขาหาว่าเราโง่อ่ะใช่ใช่ค่ะคนน้องก็มาบอกเรามองไม่รู้จักเงินไปทําอะไรขี้เกียจไปเสียเวลาต้องไปก็เลยเอายอดแล้ว่าหนูก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสน่ะหนูหนูอยากจะลาออกแล้วหนูก็เลยพูด คือพูดจักใจจริงๆอะค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้อยากไม่อยากได้ค่ะไม่ได้สนใจทางโลกแล้วเนาแค่ทางโลกเราไม่สนใจแล้วเพียงแต่ว่าพอเลี้ยงชีพเราอยู่ได้ไปวันก็พอไม่จาเป็นจะต้องเลื่อนกั้นเลื่นตำแหน่งใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะก็ถูกก็ไม่สนใจไม่เสียหายนะไหนทำถูกต้องนั่งปฏิบัติต้องทําอย่างนี้ถ้าไปถ้าไปทางนั้นแสนดงว่ายังหลงยังเตดอยู่ค่ะคือคนอื่นเขามาพูดว่าเหมือ น, น, นไม่ฉลาดเหมือน<ช>อะไรอย่างเงี้ยคนคนทางธรรมมักจะไม่ฉลาดทางโลกในสายตาของทางโลกมันจะว่า<ช>เราโง่<ช>แต่เราจะมองเขาว่าเขาโง่อ่ะเราไม่ฉลาด หนูก็บอกเขาไปแค่เนี้ค่ะหนูปฏิเสธนะคะก็วันที่ยี่วันที่ยี่สิบเอ็ดเนี้ยค่ะต้องไปสอบแล้วหนูหนูไม่หนูไม่ไปค่ะหนูไม่ไม่เอาดีแล้วนะหนูจะไปทางหนูจะไปทางนี้ดีกว่าค่ะหลวงพทำต้งลทางโลกไม่ใช่ไปไปไปติดกับทางโลกถ้าติดกับทางโลกก็ไปทางธรรมไม่ได้คอืม องลบโลกละราบโลกธรรมสี่ลาบยศเสสเสริญสุนเ<ม>ป็เพราะ ม, ม, มันเป็นทุกข์ว่าไม่เที่ยงค่ะหลงนอกไม่อยากได้เอาครับสุขจากความสงบดีกว่าขาดหลงค่ะทุ ก, กวันนี้ก็ปฏิบัติเหมือนที่เคยเรียนหลวงพ่อค่ะไปถึงออฟฟิศทำทำทานอะไรเสร็จก็ขึ้นนั่งสมาธินั่งจนถึงเกือบแปดงึแล้วก็ถึงเวลาก็ทางาน พอเลิกงานก็กลับมาถ้าไม่ได้มาเข้าสู่ก็ปฏิบัติค่หลพอก็เวียนเวียนวนอยู่แบบเนี้ค่ะหลวพแต่ว่ามันรู้สึกว่าช่วงนี้มันมันเหมือนเหมือนแบบไม่ต้องสั่งเลยค่ะหลวพอถึงเวลาเขามาเลยค<ม>่ะเขาเ ข, า, ขามาให้ให้เข้าบางทีนั่งนั่งอยู่เนี้ยค่ะก็หนูหนูต้องปฏิบัติเลยเป็นชั่วโมงกว่าค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเนี้ยค่ะหลมาถึงก็เข้าเลยค่ะหลวงพอ ในช่วงที่มาได้ปฏิบัติช่วงที่ไม่ได้นั่งก็ต้องคอยตัดกิเลสเวลากิเลสโผล่ขึ้นมาก็ต้องตัดมันเวลามันอยากได้อะไรอยากมีอยากเป็นก็ต้องคอยตัดมันค่ะหลวงพ่อเวลาโกรธก็ต้องคอยยึดมันค่ะหลวงพ่อตอนตอนนี้จะเหลือตรงโทสารเนี่ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะหลวงพ่อ mm hmm. มันมันรู้สึกว่ามัน แต่ก่อนร้อยแต่เดี๋ยวนี้มันมันก็คือประมาณห้าสิบอย่างเงี้ยมันลดลดลงมาเยอะข่าวพ่อคือไม่ลดไม่คือเหมือนมันค่ะมันเบรกมันดาวลงมาแบบเหมือนมีความคิดว่าไม่รู้จะทําไปแล้วมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโกดไม่ได้อะไรคือรู้สึกว่ามันหนูใจเป็นสุขขึ้นเยอะข่าวหลวงพ่อมันรู้สึกมันดีค่ะดีมาก ขอบพระคุณครับยวะค่ะสัปดาห์ที่นี้จะไปอยู่วัดข่าหลวงพ่อที่เคยเรียนหลวงพ่อค่ะไปเรื่อยๆว่างเมื่อไหร่ไม่ว่างโอกาสก็ไปนะข่าหลวงพ่อเก็บพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดเก็บตามไปเรื่อยๆข้าหลวงพ่อเดี๋ยพอเวลาไม่มีภาระก็จะได้ไปได้เลยข้าหลวงพ่อหนูหวังไว้อย่างนั้นข่าหลวงพ่ออืมโอเคสาธุขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะสาธุค่ะ คุณรสูสเลรูสภาษาอังกฤษได้ยินไหมคุณรูสคุณรูสเปิดกล้องเอามานะอยู่ที่ไหนคุณรูสเปิดไปอ่าโอเคอยู่เม <Melbourne S 1> ลเบิร์นค่ะ อ, ะาอมาเมลเบิร์นงานมหกรรมครั้งนมีอะไรไหมไม่มีคำถามค่ะแค่เข้ามากราบแล้วก็ฟังธรรมะคุณเข้ามาครั้งแรกนะ ค่ะปกติก็ฟังอยู่ข้างนอกค่ะพอดีวันนี้มีโอกาสเข้ามาก็เลยเข้ามาได้เร็วดีที่นี่เที่ยงคืนแล้วอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไปพักผ่อนได้อาณาสการ์ค่ะทา่านโอเคสอาดดอ่าไปที่คุณหมอภาษนาอ่ากลับมาสการ์ค่ะพระอาจารย์ ค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นการอยู่ระหว่างสลับระหว่างโรงพยาบาลกับบ้านค่ะพระอาจารย์ก็ตื่นขึ้นมาก็ก็ไม่ต้องก็คือมีสติรู้เลยว่าเอาอวันนี้อยู่ที่ น, นี่วันนี้อยู่โรงพยาบาลวันนี้อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็นั่งสมาธิต่อได้เลยพระอาจารย์ก็ก็ยังสงบแล้วก็ก็ยังโชคดีอาจจะเป็นเพราะว่าพอกับมาจักวัด น, นะมาอยู่โรงพยาบาลก็ได้เห็นมันก็คือยิ่งตอบย้ําเรื่องเรื่องแบบกายกับเวทนาค่ะอาจารย์เพราะเห็นคนไข้เห็นห้องไอซูเห็นคนไข้ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่เพราะเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อตอนวันแรก่ แล้วก็เห็นเวทนาก็ก็เลยยิ่งแบบยิ่งมันตอบย้ำพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิสุดนั่งสมาธิเดิน ส, ส่สงกลมตอนเฝ้าคุณพ่อนะคะได้ <c oughs> ะก็โอเคพระอาจารย์แล้วก็สงบอยู่แล้วก็ได้ยิคนคํานึงของคุณหมอค่ะเพะเอิญคุณหมอเขามาเยี่ยมบ่อยๆฉันก็ชมคุณหมอว่าหมอผาตัดได้เก่งมากๆเลยเพาะคุณพ่อไม่เจ็บกระดูกผาหนอกอะค่ะคุณพ่อไม่เจ็บแบบคือแบบว่าดีมากๆเลยคุณหมอเขาก็ตอบว่ามันขึ้นอยู่กับคนไข้เออคํานี้ก็เลยนึกถึงพระอาจารย์เลยค่ะว่า จริงด้วยอ่ะหมอก็ฝีมือดีแล้วก็ทําแบบนี้ทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่เจ็บก็เน<ม>ึกอยู่ที่เขา ม, มีสติมากน้อยถ้ามีสติมากก็จะไม่ไม่ไม่ไม่ <S 1> <S 1> ไ ม, มีปฏิไม่มีปฏิกิริยากับการเจ็บของร่างกายก็จะรู้สึกเจ็บน้อยก็เลยยิ้มาสอบของที่คือถ้าอาจารย์สั่งสอนเลยพระอาจารย์<ม>แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนีนะะ้แล้วค่ะพาไปส่งที่บ้านแล้วเรียบร้อย Mm hmm. อ่ะก็ก็ยังคงคุณเองก็ปฏิบัติต่อเนื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คือสาวกับน้องดูบุญพ่อตอนนี้นะคะก็ยังรักษาความสงบได้แล้วก็แล้ว่าพอแบบได้เรียนพระอาจารย์เแล้วตอนนี้ก็คือเอ่อเรื่องของความหลองะคะ่ะคือพยายามโฟกัสเรื่องตรงนี้ก็มันเลยยิ่งทำให้เห็นแบบพอมันเห็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยยังไม่เขาไม่อยากจะได้อะไระพระอาจารย์วันนี้ก็ประชุมนะคะอาจารย์แต่ว่าบอกเขาว่าเออทำตามหน้าที่เสร็จแล้วขอกลับนะไม่ไม่อยู่ถึงจบท ก็กลับมาเนี่ยค่ะมาเข้าสู่ก่อนเลยคือแบบรู้สึกว่ารู้แล้วว่าเราเลือกอะไรอ่ะพระอาจารย์ไม่สนใจเรื่องของยึดติดความดีแล้ะอาจารย์ดีเราไปทางธรรมทางโลกเราต้องหันหลังให้มันไปค่ะค่อยๆละค่อยๆปล่อยแล้วพระอาจารย์ปล่อยเลยปล่อยแบบปล่อยแบบปล่อยง่ายมากเลยเพระอาจารย์รู้สึกว่าเออมันเบาขึ้นไม่เหมือนเชือกอ่ะปล่อยแล้วมันก็เบาเออเข้าใจที่พระอาจารย์บอกเลยว่ามันเออมันเบาปล่อยแล้วมันก็เบาขึ้นเรื่อยจริงๆด้วย มันมีความสุขตลอดทุกที่นะคะว่าอาจารย์สามารถอยู่ได้ทุกที่แล้วก็แบบเออมันเข้าสมาธิก็เข้าได้แบบมันมันสามารถที่จะใช้แบบไต้ลักแบบที่พระอาจารย์บอกว่ามันก็ยังคงความสงบได้ได้ได้ดีเลยค่ะอาจารย์ทาต่อแล้วอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะว่าอาจารย์ไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณพระพุทธเจ้าฉันขอบคุณพระพเจ้าด้วยค่ะอาจารย์ต้องขอบคุณพระอาจารย์ด้วยถ้าไม่มีพระอาจารย์ปัญญาเราไม่ถึงพระอาจารย์เพราะตัวเองโง่มากเลยคือเรียนพระพุทธเจ้าตั้งแต่เด็กไม่รู้ พอมาเจอพระอาจารย์ขอบคุณด้วยการปฏิบัติบูชานะฮะขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณทุกทานคุณเอกเชียงรายเป็นยังไงการพระอาจารย์ครับอ่าสบายดีแล้วครับผมสบายดีครับพระอาจารย์ไม่ได้เข้ามาหลายวีครับแต่ว่าก็ฟังขอน้องครับอาจารย์ครับอเหมือนกันครับผมก็ ตอนนี้เข้ามากล่าวอาจารย์เขาไม่มีอะไรครับก็ยังปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ครับโอเคกัดีลยครับผมครับผมถึงถึงฝั่งเมื่อไหร่ก็มาเล่าให้ฟังบ้างก็แล้วกันนะตอนนี้ถึงฝั่งแล้วก็ก็ยังไม่ถึงกรับพยายามอยู่ครับพระอาจารย์ครับก็ใช้วิริยะอยู่ครับอาจารย์แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ ไม่ไม่ทันตัณหาความอยากสู่ซูนิบอนไม่ได้เราะอาจารย์นั่งนั่งไปถึงตีสองครึ่งไม่ไหวจริงๆเลยแล้วอาจารย์จะร่วมเพราะว่าก็เลยเอ้วันนี้ขอขอพอก่อนก็แล้วกันดูสภาพครับผมร่างกายไม่ไหวก็ได้ร่างกายจะไม่ไหวก็ได้ครับร่างกายไม่ไหวก็ยืนก็ไม่อยู่พิงเอาหลังพิงฝากมันก็ไม่อยู่อะอาจารย์วันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพร่างกายมันก็ มันแกลงทุกทุกวันครับช่ครัผมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้พัก่อนหลับนอนว่าก็มาทำต<อ>ามเพียนตอนทีหลังก็ได้ครับผมแต่ว่ามีอยู่ช่วงช่วงสองสาวันก่อนนี้มันตื่นก่อนตื่นก่อนที่จะปกติผมจะตื่นตีสามสีสิบ้านะครับ ม, มันตื่นก่อนนะตื่นประมาณตีสามผมก็ปฏิบัติเลยฮนะไม่ไม่นอนต่อครับอาจารย์แล้วมันตื่นมาก็พยายามไม่นอนนะครับ อก็ลูกมาปฏิบัติต่อก็ก็ได้อยู่ครับพระอาจารย์ครับบางทีก็ต้องดูร่างกายบ้างที่เราไปบังคับไปฝืนมันมากก็ไม่ได้ครับผมก็พระอาจารย์มันมันก็คือผมก็ดูลมไปแล้วก็ลมมันหายแต่ว่าแต่ก็ดูว่ามันหายไปแต่ก็ยังได้ยินอยู่ครับพระอาจารย์มันหายก็รู้มันหายไปใช่ไมไม่ต้องไปตื่นไม่ต้องไปตื่นเต่นตกใจอะไรครับผมแต่ก็ได้ยินเสียงเแบบ สิ่งเจ้าก็จันทร์สิ่งอะไรชี่อย่างเงี้ยพอาจารย์มันยังไม่บู๊หะพระอาจารย์ก็ยังไม่รูปตามคําจริงไหมูเฉยเฉยไปก็รู้เฉยเฉยไปนะครับรู้เฉยเฉาบแต่ว่ามันไปอืมครับมันก็างีมันก็วูบหล่นไปก็มีอยู่แล้วอาจารย์แต่ก็ไม่นานเนาะอย่าไปอยากให้มันวูบไปแล้วกันรู้เฉยเฉไปแต่ตอนวูบก็รู้ไหมวูบวูบไปแล้ววูบนะรู้ตามความจริงไหครับครับผม มันพู๊มงไปมันมันเบาสบายมันเหมือนไม่หายใจไม่อะไรมันสบายอาจารย์แล้วมันสบงบเงาเบาสบายอือใช่มันสภาพเรื่องแต่ยังไม่บุ๊กการูปก็ดูไปเฉยๆดูดูเฉยๆไปครับผมครับผมก็ปฏิบัติทุกวันนะครับอาจารย์ครับทั้งตอนเช้าครับผมกลางวันทําทํากลางวันถ้าเกิดมันง่วงนิดๆผมก็นั่งสมาธิไปมันก็ก็หายง่วงครับอาจารย์เพึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ ทำไปนะ ค, ปรครับผมครับครับผมขอให้ท่านผ่านพระอาจารย์แข็งแรงครับสาธุาร<ส>าครับผมครับคุณแนนอย่างอุดรจตมาสการค่ะอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะโอเคเป็นไปที่กุณมาริกามาริกาน า, าราทิวาได้ยินไหมคุณมาริกาไปไหนเอ่ย เดี๋ยวค่อยกลับมาหาคุณมาลิกาไปที่โอ๋ก่อนนะโอ๋ภูเก็ตผมยาวแล้วนะแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดคยววิทยาจะทำงานอไรับอาจารย์สบายดีได้เจ้าค่ะสบายดีนะก็ฝากที่แมวใส่บาทไปเจ้าค่ะอาจารย์อ่าดีเอาสายให้ทุกคนะทุกคน ที่ฝากเขาจัดการในะหร้กะค่ะก็วันพระวางวันนะเจ้าข่าพระจานทร์ก็มีแอกว่าเพื่อนหรือไม่เข้าคนแม่ของแฟนหรือไม่เข้าที่บ้านโอเขาก็ร่วมฝากไปทําบุญด้วยเหมือนกันเจ้าข่าพระจานทร์นี่ทำไมนี่ทําบุญออนไลน์นะไม่ต้องมาลงใช่เจ้าค่ะสะดวกดีเจ้าข่าวพระจันหร์หแต่ก็อยากไปไปกับพระจานทร์ที่นู่นอยู่นะเจ้าค่ะเดี๋ยวไว้แบบอรอนช่วงที่บบานสะดวกจริงๆอย่างนี้เจ้าค่ะ ถามด้วยการปฏิบัติยมาได้ผลดีกว่าปฏิบัติบูชาทุกวันเลยเจ้าค่ะพรารเหมือนปิดเวลาเจ้าค่ะลูกมาต้องไปเดินไม่ก็นั่งได้ไม่ได้ก็ต้องทําไว้ก่อนเจ้าค่ะพูดได้เห็นทำมั่นนั่นเห็นเราไม่ต้องมาให้กาเห็นทำมากกวเห็นเรานรู้สึกว่ากล่าพระอาจารย์อยู่ที่บ้านก็เหมือนไปกลับที่นู่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ การอยูนี่ก็จริงแต่ว่าถึงพระอาจารย์ยี่นุ่นนะเจ้าค่ะอืมโอเคไม่มเย อ, อะเล ย, ย, ยดูเจ้า ค, ะค่ะก็คือว่าลูกใหญ่จะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์สจ้ค่ะก็คือว่าเอ่อเหมือนลูกความปัญญาเหมือนที่ลูกเคยถามพระอาจารย์ไปใช่ไหมเจ้าค่ะเรื่องการใช้ปัญญาของลูกเจ้าคะ่ะลูกกลัวว่ามันจะยิ่งฟุ้งซ่านทีนี้เลยลูกคิดว่า แต่จะกลับมาโฟกัสเรื่องการทําสมาธิอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์มีอะไรแนะนํำไหมเจ้าคะ่ะถ้าถ้าเราสมาธิยังไม่แข็งพอก็กลับมาใช้ฝึกสมาธิให้มันแข็งก่อนให้มีโมเดิคขาเยอะๆก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปเจ้าค่ะแล้วส่วนปัญญาที่เราเรามีอยู่เนี่ยก็คือลูกต้องพักไปไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือว่าเอามาพิจารณาบ้างอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็ได้ถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณนะาไปแต่ทตําตอนที่ไม่ได้ทําตอนสมาธิ ไม่ได้อยู่ในสมาธิจำตอนที่เดินยงกรมหรือทําเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิกําลังกันอืม mm hmm. ค่ะเอออ้าวลูกอีกเรื่องเจ้าค่ะพระอาจารย์กลัวเดี๋ยวกลัวผิดทั้งพูดเจ้าค่ะเพราะว่ากลับเรียนพระอาจารย์ไว้ว่าจะรักษาศีลแปดวันโกนกับวันพระใช่ไหมเจ้าคะ mm hmm. วันวันนี้อ่ะเป็นวันโกนแต่ลูกไว้สะดวกสักค่ะพอดี ลืมดูปฏิทินด้วยดูช้าไปหน่อยนิดแล้วก็วันนี้ออกไปทุร่าข้างนอกพอดีเจ้าค่ะอาจารย์ก็เลยจะเรียอนเป็น เ, เนสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้เจ้าค่ะช่วงเดือยาน จ, จะเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้เจ้าค่ะอ่าท ด, ด, ดแทนมันทดแทนมันไปก็แล้วกันขอเป็นวันที่สะดวกเลยเจ้าค่ะอาจารย์ใช่วันที่สะดวกนั้นเบาะที่ใชด<ะ>ค่ะโอเ ค, <ะ>อเคพยายามรักษาจัตว<ะ>์าไว้อาจารย์สัตขอบพระคุณไว้เจ้าค่ะอาจารย์ขออาจารย์ท่านแใชงแรงเจ้าค่ะ อคุณมริกากลับมายังยังไม่กลับมาอไปที่คุณเชียก่อนเชียน้องสาวธรรมสถา น, รานาารพระอาจารย์เจ้าข อ, อยู่ที่โคราชใช่ไหมใช่เจ้าขอยมีอะไรไหมวันนี้อืมพอดีดอยากเจ ร, ริญอาณาปานสติพูดไปพูดไปอยากาเจริญอาณาปานสติเจ้าข้าแต่ว่า ทำไม่เป็นโลโก้เลยอยาก <c oughs> ให้พระอาจารย์แนะนำหน่อยด้วยค <c oughs> ะนะปะนะัญหอาณาปัญะไปบ้างลมเข้าลมออกก็ไปเดียวขอขอขอธิษฐานให้ดูลมเข้าลมออกนั่งต้องทำตอนที่เรานั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็ดูที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกรู้รู้ตามความเป็นจริงของลม ไม่ต้องไปอ้อนคำให้ลมหายใจสั้นหายใจยาวดูเฉยๆอย่ยงตอนนี้เราหลับตาแล้วก็ดูลมได้เลยนั่นเองดูได้ก็เออกระท่านั่นแหละดูแล้วอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันดูไม่ได้เดี๋ยวจิตก็สงบเอง <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ยอ่งไม่ต้องสนใจขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองว่าไ ม, ไม่ต้องอะไรให้ลมลมเฉยๆแล้วมันจะพาไปเหมือนเกลียวออโต้ มันจะพาไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเองแล้วแล้วอ๋อพอดีก่อนหน้านี้ลองทำดูแล้วไปบังคับให้ลมยาวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องสั้นตอนไหนไม่ต้องเลยาจริง อรรถธนาคะอาจารย์รักษาภาพขันด้วยนะเจ้าคะน้าจุนจ้จอาอาราธิกาเนาะอ่าคุณมานิกามามามานิกานาราเิวาะ <c oughs> รับม้ำการเจ้ากับพระอาจารย์วันนี้นะขึ้นมาที่สุขิินกับพระอาจารย์ต้มาที่ไหนอำเภอสุขินจังจังหวัดดราที่วาดนี่แหละค่ะพระอาจารย์เพราะว่าที่ที่โรงเรียนเขามีการประเมินก็ก็เชิญมาเป็นผู้ส่งคุณวุธประเมินของคุณครูที่นี่ก็เลยเมื่อกี้นี่ก็มีโทรศัพท์เข้ามาก็เลยแล้วคุยๆแล้วก็รู้สึกว่าจังวัดวุ่วายสักหน่อยหนึ่ก็เลยก็ทําให้รู้ว่า การที่ว่าเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเราอยู่แบบปฏิบัติของเราไปตามปกติแล้วก็อยู่ที่นี่มันวางครั้งวันนี้ไม่ได้ถือศีแลแปดรือพระอาจารย์ก็เพราะว่าเขาวังครับทานโ น, นทา น, นี่หมายถึงว่าแบบมาแล้วก็ผลไม้ก็เยอะนี่คือลักษณะหนึ่งข้อเสียหรือว่าระหว่างทางโลกกับทางธรรมมันก็ต่างกันลักษณะอย่างนี้นะคะพระอาจารย์แล้วก็ก็อยู่ที่บ้านนะคะพระอาจารย์มันอยู่ที่บ้านนั้น พอมีเจอเหตุการณ์ต่างๆอะไรเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมาทางความแบบคำพูดมากกว่าลูกของลูกนั้นจะมีความพูดถ้าคำพูดเข้ามาปับ๊บโดยที่น้ำเสียงหรือว่าการอะไรที่ว่ามันทำให้เราขัดใจแนละ้วก็จะมันจะทำให้เราแบบึกพอรึกกึกแล้วก็แต่ว่ามันก็เร็วตอนนี้มันจะเร็วขึ้นในเรื่องของว่าอ้อ ไม่ได้นะบริการน้ำแบบระบอกตัวเองเลยว่าเออไม่ได้นะแบบแบบแบบนี้นั่นจะทําให้จิตเราจิตเราจะแว่งทันทีเลยก็ทําให้ก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์เลยสิ่งนี้ก็นับว่าเป็นความโชคดีนะคะพระอาจารย์ทุกขอกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุอาพยายามรักษาปฏิบัติของเราให้มากๆนะค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็ทําอยู่นะคะพระอาจารย์ก็อย่างน้อยก็ ด้วยบุญและบารมีแล้วว่าด้วยบุญและบารมีที่ว่าเราได้ทําทําบุญตักบาตรได้ตักบาตรอยู่ทุกวันในจุดนี้ก็ทําให้เมื่อเราได้ทําบุญเราก็ได้เราได้ในจุดนี้แล้วก็ควรมาที่นี่แล้วก็จะได้เจอพระอาจารย์นรงชัยที่วัดที่สํานักสงฆ์ที่ไอประโจู ด, ด้วยครูบาอาจารย์ก็ก็ได้ไปเดีกยวกบแล้วไปพุ่วันพระด้วยอยาได้ไปกราบท่านด้วย แล้วก็ถ้ามีโอกาส ก, ก็จะไป ท, ที่เขาชิโอนด้วยถ้าถ้ามีโอกาส <Okay. S 1> น <Okay. S 1> คะคะอาจารย์โอเคสาธุเจ้าสาธุเจ้าค่ะไปที่คุณฟังว่าอะไรสีราชาเชิญฟังว่าอะไรตามนิมมัสการค่ะพระอาจารย์เดี๋ยววันศุกร์นี้นะเจ้าค่ะจะเป็น one last working day แล้วค่ะแล้วก็ ตามธรรมเนียมนะเจ้าคะสำหรับ m a n a g e m e เนี่ยก็จะมีการการเลี้ยงส่งแต่ว่าหนู่ก็กังวลว่าลูกน้องหนูก็จะทํางานหนักว่าขนาดเดียวกันก็คือเราก็อยู่ในช่วงของการถือสินด้วยหนูก็เลยตัดสินใจส่งอ e ีเมลค่ะแจ้ง m ม n a g e m e ทุกคนว่าหนูไม่ขอเลี้ยงส่งแล้วหนูก็ไม่ขอรับรับของที่ระลึกหนูขอถ้าเป็นไปได้หนูก็จะเชิญเขาค่ะไปทําบุญที่วัดตอนเช้าด้วยกันค่ะแต่ว่าก็ระลึกถึงคําสอนพระอาจารย์เขาว่าการชวนใครถ้าไม่ ไม่มใีใครที่แบบไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไม่ต้องไปไปบังคับเขาซึ่งหนูก็บอกกับทุกคนว่าไม่จาเป็นต้องมานะก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะมาเหมือนก็เหมือน g ีเอมหนูเขาก็เขาก็บอกว่าเขาอยากไปนะคะก็ก็ถือว่าเป็นอุบายที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่หลุดไม่หลุดสินด้วยจ้ะค่ะดีชวนเข้าไปทำแบบุญด้วยกับชวนเลยไปจัดปาร์ตี้กัน <c oughs> <c oughs> แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์อะค่ะพอดีลูกสาวมามด่นวนก็เลยพาไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดเ<ม>บ้านแม่นะคะ<ม>ทีนี้ก็ตอนกลางคืนหนูก็ยังเข้าสมาธิเหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะไปเข้าไปปฏิบัตินั่งสมาธิในห้องในห้องนอนเก่าของคุณตาซึ่งทั้งเสียชีวิตไปแล้วทีนี้พอแม่เขาเดินย่องย่องมาเขาเห็นว่าหนูกําลังนั่งสมาธิอยู่บกหนูกเปิดเปิดประตูทิ้งไว้ะคะ่ะแล้วให้แสงมันมันเข้ามา ปรากฏว่าพอแม่เขาเห็นแม่าก็ปิดประตูปิดไฟมืดเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแม่พอปิดพอเสร็จภารกิจนะค่ะเปิดมาก็แบบโอ้มืดมืดสนิทนะะมืดตือต้อเลยก็แต่ว่าสแล้วก็เลยลองนั่งต่อเพราะว่าก็ลองลองเช็คเหมือนที่ที่เราเคยเรียนนะคะว่าเราจะลองทดสอบดูว่าเราจะกลัวผีหรือเราจะกลัวอะไรหรือเปล่าเนี้ยค่ะมันก็ มันก็ไม่กลัวแล้วก็มันก็สงบมากขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันมืดไปหมดแล้วก็มีแล้วก็ไม่ค่อยมีเสียงอะไรมารบกวนค่ะก็ถือว่าเอ่รงนี้หนูมีสติและสมาธิเพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะดี่อเดี๋ยวถ้าไปที่นู่นนะคะอย่างเช้านี้ทดลองไปใสปะะ่บาทค่ะแล้วลองเช็ค g ีพีดูค่ะว่าถ้าไปทํางานที่ใหม่อะค่ะจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็คิดว่า ทำเวลาได้ค่ะก็จะใช้แบบนการสลับกันไปแล้วก็ปฏิบัติบูชาเหมือนเดิมนะเจ้าคะ่ะโ yeah. <Okay>. yeah. อเคจ้าไปด้วยคุณขันชิตไต้หวันขันชิตครับอาจารย์กราบน้ำมาสการครับไปอาจารย์อืมอันนี้มีใต้ฝนหรอือเปล่าไม่หมดนะอะไรนะครับมีใต้ฝุนหรอือเปล่าใต้ฝุน ว่าเข้าเข้ามาสองสามวันพัติบันมาครับวันนี้ก็เป็นฟ้ามืดคืมครับเป็นยังไงมีความเสียหายไหมลูกที่แล้ว <c oughs> ก็มีอยู่แถวภาคใต้ไหมครับที่ว่าต้นไม้หกักองน้ำท่วมแล้วก็ดินถลม่มอื้นดินถหลหยทับบ้านชาวบ้านนะครับ โอเคมีอะไรจะถามไหมไม่มีครับเข้ามาร่วมฟังธรรมแล้วก็กราบพระอาจารย์ครับโอเคสาธุที่คุณชาตการแกงแรงนะครับสาธุที่คุณสลินทอน Maryland USA การนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็วันนี้วันนี้ได้คุยกับคุณลุงสอาจาวะ โยมได้ฟังอยู่ข้างนอกค่ะพระอาจารย์응응ค่ะเขาโยมก็ดีใจกับเขามากมากเลยค่ะที่เขาปฏิบัตินะคะอืจะได้คุยกันเข้าใจเาก่อนหน้านี้เขาจะเขาจะคุยเรื่องหนังสือตลอดเลยค่ะโยมก็ไม่รู้จะพูดยักับเขาแต่ดีดีไปโยมรู้สึกยินดีกับเขามากๆค่ะอืพระอาจารย์คะโยมมีหนึ่งคำถามค่ะถ้าสมมุติว่าการปฏิบัติของเรา การปฏิบัติเป็นกลุ่มอะคะ่ะเออย่างเช่นการไปการไปปฏิบัติที่วัดหรือว่าการเข้าคอร์สแต่ว่าเข้าคอร์สที่มีคนร่วมเยอะๆอะค่ะการกระทําแบบนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มพลังไหคะจะจาหมายถึงว่าเพิ่มพลังการปฏิบัติแล้วช่วยให้ ม, ม, มันสำหรับผู้อ่อนหัดผู้ที่เริ่มต้นแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามลําพังได้เราอาศัยกิจกรรมของกลุ่มหนึ่งไป จะเป็นปฏิบัติอย่างนี้เขาจะมีกำหนดเวลาให้ปฏิบัติให้ทำนู่นทำนี่แต่ถ้าเราเข้มแข็งพอแล้วเราควรจะปฏิบัติตามลำพังจะดีกว่าค่ะพระอาจารย์เพราะโยมได้รับเหมือนกับว่า อ, อพระที่วัดแถวแถวบ้านโย ม, มค่ะเขาก็มาเรียกว่าเมื่อไหร่โยมจะกลับมาปฏิบัติที่วัดอีกเพราะว่ามีการปฏิบัติร่วมกันทุกวันเสาร์อย่างเงี้ยค่ะแต่พอโย ม, มไปจริงจริงมันก็ เดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็คุยกันโยมก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าโยมปฏิบัติเองน่าจะเข้มข้นกว่าค่ะแนวทางที่ถูกต้องต้องไปเม่เว้งต้องปฏิบัติคนเดียวไม่คุคยกันที่ทําเป็นกลุ่มเพราะเราะามตอนเริ่มต้นทําเองไม่เป็นก็ต้องมาใช้ไปฝึกก่อนแต่การปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดพลัง<ม>ทำ<ะ>ให้เรานเป็ไม่มีช่วงเป็นตัวถ่วงจะด้วยซ้ำไป <laughs> บางทีเราบางทีเราจะปฏิบัติได้นานก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะเขาคนอื่นเขาปฏิบัติไม่ได้นานเท่าเราค่ะพระอาจารย์พอโยมเหมือนกับตอนเด็กๆโยมเคยไปปฏิบัติอย่างนั้นเราได้ผลแต่พอมาตอนนี้เนี่ยโยมรู้สึกว่าโยมไม่ได้อยากปฏิบัติกับใครอยากทําคนเดียวมันคนรดับแล้ว้ยถ้าระดับเริ่มต้นก็อยากจะปฏิบัติกับคนอื่นมีเพื่อนช่วยหนึ่งกันค่ะก็เรียกเพียเพียร pressure ก็ยังไง การอาจารย์แต่เราไม่ต้องไม่ต้องเพียกก็ได้อาจารยถ้าเราปฏิบัติเองได้แล้วไม่ต้องมีใครมากดดันแล้วที่แล้วว่าปฏิบัติคนเดียวจะคล่องแคล่วว่างไวกว่าสะดวกกว่าใช่ค่ะเราจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วก็นานแค่ไหนก็ได้ได้ถูกต้องเราไม่ต้อมาเราไม่มีใครมาให้เราต้องมาเพลาวโพนด้วยอนั้นกลางๆคนนั้นคนนี้เดี๋ยวว่าไอ้เมื่อเขาขยับเมื่อเขา็ก็จะมาใช่ค่ะอาจารย์ ค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างค่ะ<ม>ขอบพระคุณมากมากค่ะมีเท่านี้ค่ะขอให้พระอาจารย์ท่าทางแข็งแรงนะคะทุกๆคนขอบพระอาจารย์มากๆเลยค่ะยังยังปฏิบัติอยู่นะทาทุกวันค่ะพระอาจารย์ทําไม่ <Okay. S 2> ไม่ทิ้งอะคะ่ะแล้วก็ยมรู้ตัวว่าเราต้องการปฏิบัติวิเวกอะคะ่ะบางทีบางครั้งงานเยอะๆยมก็จะรู้สึกเหนื่อยว่ากลายเป็นว่าการทํางานมันคือทุก เราเห็นว่าการทํางานคือเราเห็นทุกข์แต่เราก็รอว่าเมื่อไหร่เราจะได้หลุดออกจากทุกข์ตรงนี้<ม>แต่มันยังออกไม่ได้มันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดค่ะพระอาจารย์ต้องเริใช้เงินให้ได้เริ่มใช้เงินได้เมื่อไหร่ก็ออกแางงานได้เมื่อนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีเราก็รู้สึกว่าอย่างอย่างโยมคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะบอกว่าหนูยังต้องทํางานอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอายุเราจะถึงเท่าไหร่แล้วยังมีต้องต้องมีลูกยังมีลูกอีกต้องดูแลเขา แต่โยมไม่ได้คิดอย่างที่เขาคิดนะค่ะพระอาจารย์แล้วบางทีเราก็พูดไปไม่ได้อ่ะค่ะแล้วค่ะก็ไม่ต้องพูดถ้าไว่าพูดไม่น่าก็อย่าพูดค่ะพระอาจารย์โยมก็ทําเท่าที่ทําได้แต่พอมาถึงจุดนึงโยมก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีทางก้าวหน้าถ้าเราไม่ทํามากกว่านี้มันก็จะอยู่แค่เราต้องวางแผนอนาคตของเราว่าเราจะเอาอย่างไรดีค่ะพระอาจารย์โยมก็ยังรอลูกเนี่ยหละค่ะ เราเขาเรียนจบค่ะพาาระอาจารย์แล้วก็โยมก็ตั้งใจจะปฏิบัติเต็มที่แล้วไม่อยากเสียเวลาค่ะเราโยมก็อายุมากขึ้นแล้วเรามไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนค่ะาพระอาจารย์สาธุค่ะพระอาจารย์โยมดีใจมากที่โยมได้มีโอกาสได้พบกับพระอาจารย์ในภพชาตินี้แล้วโยมรู้สึกว่าโยมเคยฟังธรรมแล้วบอกว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได ได้พบครูบาอาจารย์ที่สามารถสั่งสอนเราไปในทางที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่เหลือคือความภาคเพียรของเราต่างหากที่เราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่พอมันแต่พอมันไม่มีเวลาหรือว่าทำงานมากๆแล้วร่างกายมันเหนื่อยแล้วมันไม่สามารถปฏิบัติได้โยงก็เห็นว่ามันถูกมันถูกเราอยากเราลองเห็นว่าการทำงานมันอุปสตรรคต่อการปฏิบัติของเรา ้พยายามหาวิธีลดลดการทำงานให้น้อยลงให้ได้จะดีขึ้นเราจะมีเวลาปฏิบัติได้มากขึ้นค่ะโยมก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นเวลานี้ค่ะเพราะว่ามันยังมันยังไม่ถึงเวลาของโยมอะค่ะพระอาจารย์ได้ก็ต้องยอมรับเหมือนยังขำลรถอยู่ใต้ทางด่วนอยู่ยังหาทางขึ้นทางด่วนไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็มีแวะเต็มเต็มตลอดทางเลยเปนไม่ถึงท โอเคทำไปก็แล้วกันเนี่ยอย่าเท่าอย่าหยุดทำตามทาเท่า ท, ที่เราทำได้ไปก่อนค่ะเพราะว่ายัางไงยมก็คิดว่ายมได้เห็นทางแล้วว่ามันทางนี้แหละมไม่ผิดเพียงแต่ว่าต้องทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าคาดหวังแล้วก็ยมดีใจที่ได้เจอการยา น, นมิตรใน Zoom meeting นี้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจบางทีทุกๆคนก็ไม่อาจจะไม่รู้ไม่เห็นแต่เมื่อเราฟัง ฟังเรื่องราวฟังเหตุการณ์แล้วเราเข้าใจว่าชีวิตมันก็เป็นแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้อืมแล้วมันจะกี่พบกี่ช้ำมันก็มีอย่างนี้แหละแค่นี้แหละใช่เมื่อตายกิดเรื่มาเจอของเดิมนี่และใช่ค่ะโยมเห็นอย่างอีฟนก่อนโยมเห็นลูกของเพื่อนอายุแค่ห้าขวบเองเสียชีวิตโยมก็รู้สึกว่ามันเสียดายมันน่าเสียดายแต่พอวิทวินาทีหนึ่งผ่านไปโยมก็มาคิดว่าแต่นี้มันก็คือธรรมดา นี่คือเรื่องธรรมดาอืแต่มันก็มันยังมันเข้าไปอยู่ในใจโยมแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ทันท่วงทีต้องพิจารณาให้ทีกว่านี้ค่ะพระอาจารย์ใช่แล้วต้องขอบคุณในโอกาสของเราว่าเรายังไม่เสียชีวิตเหมือนเขาใช่ค่ะพระอาจารย์โยมก็ที่บอกว่าเหลือแต่ความเพียรเราเข้าใจธรรมะแล้วเราได้มีโอกาสเกิดเป็นคนแล้วเรายังมีชีวิตอยู่เหลือแค่นี้เองค่ะพระอาจารย์โอเค พามยามไปความพยายามอีไ่ไหยความสําเร็จอยู่ที่นั้นคิดอย่างนี้คนะ่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ในคําสั่งสอนมากๆนะคะอ่าสาธุพระอาาคุณยินดีคุณแคนซัสสวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์ก็เห็นด้วยกับท่านกัรายานมิตรทุกๆ ท, ท่านอะคะ่ะทุกวันนี้ก็คิดเหมือนกันคะ่ะแต่ก็ม อ, มองตัวเองว่าเอ๊อเราเรามันมัน มีความปูะสบชีวิตนี้มันแหละทุกอะค่ะอาจารย์สังขารนี้ร่างกายนี้ที่ได้มาแล้วเหลก็น้านาก็อยากจะแบบตัดๆแล้วก็อยากจะแบบเมื่อไหร่จะพ้นเมื่อไหร่จะพ้นแต่ทุกวันนี้ก็ตามหน้าที่แล้วก็ตามหน้าที่แล้วก็คิดว่าเออก็ก็ก็ตามหน้าที่อะค่ะแล้วก็ทําใจเหมือนที่อาจารย์เคยเคยพูดอะค่ะก็คําสอนท่าอาจารย์ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคั้งอะค่ะท่านอาจารย์อืมที่อะไรค่ะก็รับร่วมฟังทำค่ะ แล้วก็เดวิดก่อนไปก็บอลซองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์อ่าอพ่อขอบคุณด้วยนะคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณนอาจารย์อย่างสูงค่ะอ่าสาธุคุณนงต่อคุณคุณนงอยางพัฒยาการมัดการค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะชัดเจนค่ะคร่ะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติอยู่นะครับพระอาจารย์ก็คล้ายๆกับคนอื่นคือพยายามแบบไม่อยากจะทํางานแต่มันก็ ต้องได้ทำอะครับพระอาจารย์ว่าต้พยายามแบ่งเวลาให้มันมากที่สุดค่ะเพราะตั้งประโยคคําถามของตัวเองประจําว่าเกิดมาเพื่ออะไรแต่ก็เข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มันไม่ได้มีของจริงอยู่ณตรงนี้อะครับพระอาจารย์สวดมนต์ทุกครั้งก็ตั้งจิตทุกครั้งค่ะพระอาจารย์หนูมไม่อยากเกิดอีกแล้วครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์ เหมือนถังชั่วคราวทุกอย่างเหมือนถังชั่วคราวเหมือนฟองน้ำใช่ค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วก็หายไปพยายามคิดอยู่เสมอว่าะวันต่อ ว, วันดี ก, กว่าครับพระอาจารย์<ม>หนูก็เลยแบบพยายามตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองควรจะทําให้มากที่สุดครับพระอาจารย์<ม>อืมอืมค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เหมือนกับว่าตอนนี้ก็เข้าใจคร่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเรายังนั่งไม่ด้หนูกพยายามเวกขาให้มากที่สุดแล้วก็พยายามเออ่ดึงจิตตัวเองให้ให้ให้อยู่กับตัวให้มากที่สุดครับพระอาจารย์ก็สวดมนต์เป็นประจําแล้วตรงนี้ก็รู้อยู่ว่าออกก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็คือดีขึ้นมากครับพระอาจารย์อื hmm. แต่ถ้าอยังไงก็ตามหนูก็ตั้งใจอยู่ไว้แล้วว่าหนูจะทําอะไรไปไปอีกในชีวิตของตัวเองนะคะในจุดเออ่ ในจุดจบของตัวเองค่ะพระอาจารย์จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแค่นั้นและครับพระอาจารย์ณตอนนี้ค่ะดูแลทุกคนค่ะพระอาจารย์ก็จะไปวัดฟังธรรมเป็นประจำนะคะเท่าที่มีโอกาสที <Sim> ่จะทำได้แต่ตอนนี้รู้เลยว่าได้แล้วคับพระอาจารย์เริ่มที่จะ ตั้งใจแล้วก็คือไปไปให้ได้ค่ะพระอาจารย์นะพรุ่งนี้ก็อาจจะไปนะคะพระอาจารย์เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งหนูตั้งใจอยู่แล้วว่าหนูต้องไปอาทิตย์ละครั้งครับอาจารย์ทุกค่ะพระอาจารย์ไม่มีะอะไรค่ะก็จะปฏิบัติครบโอเคทุกค่ะ ท, ที่บ่อวินชนุเรนทรพัฒนาก า, ารกรวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเข้าเ ข, ข้ามาร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก่อนหน้านี้ก็ได้ได้คำตอบที่สงสัยอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ถามพระอาจารย์เรื่องการละรูปการการละอารูปมันมันเกิดจากอะไรเป็นยังไงก็เข้าใจตอนที่พระอาจารย์ตอบคุณหมอพิเชษเจ้าค่ะเข้าใจมาก <Okay. S 2> ขึ้นเ้าค่ะคุณ <All right. S 2> ่าเจ้าค่ะใ <All right. S 2> นที่คุณจิปต่อจิ๊แมริเวลันยูเอสเอ จานกน้ำัสการ์คะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะอ่าสบายดีจ้าโอ้โหพระอาจารย์พระอาจารย์ยมว่ายมก็ยมตอนนี้ยมสี่สิบกว่ายมเรียนเจ็บขาเลยพระอาจารย์เดี <laughs> ย่ยมวมองแบบโอถ้ า, อายมขนาดอายุเท่าพระอาจารย์ยมก็แบนั่งรถเข็นแน <laughs> ม่งเลยเรากขยัน <laughs> อ, ออกกำลังกายว้ของกกำลังกายเยอะๆอยากกินให้มาก ใช่ค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคือเหมือนกับสังขารก็ยังต้องดูแลบํารุงรักษาก็เลยบางทีก็แบบจะไม่กินก็อ่จะกินหรือกินกินหรือไม่กินเหมือนโนนทีก็ตีกันเอาเองอยู่ในหัวเงีย้ยค่ะบางทีก็เลยตัดสินใจนอนไปเลยดีกว่ากินแล้ ว, ลว <c oughs> <c oughs> ก็เลยก็เพยายามว่าอาจะพยายามกินแค่ถึงเที่ยงบางทีก็ไม่ได้ค่ะสามเพราะว่าที่ทํางานบางทีกว่าจะสั่งนู่นนี่มามันก็เลยเที่ยงแล้วยมก็แบบ โอเคเมื่อาทําให้ดีที่สุดเหมือนที่ทุกๆท่านว่าค่ะมีหน้าที่อะไรก็ทำไปก่อนอะไรอย่างนี้เราดีที่สุดของกีเลสใช่ไหมมันก็น่าหนักสิค่ะภารทายมว่ามันกิเลสมันแบบเราก็พยายามดึงมันออกแล้วพอเหมือนกับว่าพอตกเย็นมันก็กลับเข้าหมเท้าร่างกายมันเริ่มท้าท้อมันก็เริ่มแบบแบบเหมือนลาลามันก็เต่าอีกแหล้วกิเลสมาแล้วขอเติมหานนิดนึงได้ไหม มาทดสอบแบบเออว่าอะไรเนาะขอขอ mm. สักจิบสองจิบได้ไหมค่ะ mm. วันนี้ยมก็พยาามพระาอระาค่ะพัฒนาบอกว่าให้เราเวลาคือเหมือนหยุดความคิดด้วยพุทโธพุทโธใช่ไหมคะ mm. แต่บางครั้งถ้าความคิดเรามาเราจะมองอีกแบบหนึ่งว่าถ้าคิดเราก็แค่เหมือนที่อย่างถ้าอีกหรงปูชาก็จะแบบกแกล้วเฉยเฉยรู้ซื่อๆือก็คือถ้ามันมีความคิดแล้วก็ ปอยมันคิดแล้วก็วางปล่อยแล้ววางอย่างได้ไหมคะแล้วเราหรือว่าเราก็กลับมาที่พุทโธก็คือการวางวก็คือวางดึงไปแล้วก็กลับมาที่พุทโธแบบนี้ยมทําถูกไหมคะใช่ต้องกลับมาที่พุทโธอ yeah. อือก็คือแล้วก็แล้วก็วางไว้มันคือมันจะคิดได้เรื่อยๆก็ปล่อยให้มันคิดแต่วเราก็ พยายามข่มมันเรายังใบใหม่ ม, มันเรายังไม่มีกําลังที่จะหยุดหยุดมันได้ทันทีเราก็อยู่กับพุทธไปมันจะคิดก็ไม่ต้องไปคิดแข่งกับมันไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคุยกับมันไม่ออค่ะก็คือไม่ต้องเป็นนั่งสนใจไม่ใช่ไปต่อต่อความคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ให้อยู่กับพุทธไปเรื่อยๆอ๋อค่ะเหมือนกับว่าอย่างเช่นเช่นว่าเออเราไปดูข่าวมาสมมติคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เราก็มันคิดขึ้นมาอยู่ดีเราไปคิดเราก็ไม่ต้องไปต่อมันก็คือตัดไปมันร้<ป>นองเพลงสองกับคนสองคนคนก็าร้องเพลงหนึ่งเราร้องของเราเพลงหนึ่งเราก็ร้องของเราไปเขาจะร้องเพลงหนึ่งก็ปล่อยก็ร้องไปอ๋อค่ะไม่ต้องไปประสานกับเขาเไม่ต้องไปอ่าเราอยู่กับผู้โทรอยู่กับเพลงของเราไปก็แล้วกันอย่าอย่าตามเขาไปได้จ้ะค่ะอันนี้คือสติประฐาน ใช่หรือเปล่าเจ้าคะพระอาจารย์เป็นการเจริญสติคืออันนี้เป็นจิตเขาเรียกอะไไม่ใช่กายเป็นสติเป็นการเจริญสติเฉยๆเจริญสติแบบเบื้องต้นเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่คําบริกรรมพูดโธพุทธานุสติค่ะพุทธานุสติอ๋อเออชายชยมพยายามจะหาคำพิลเขาเรียกว่าอะไรโจ้าคะค่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติให้เรื่อยๆ พวกนี้โยมโยมก็มีเรื่องต้องไปขึ้นขึ้นศาลอีกแล้วโยมก็อกเออก็มานั่งมองมันอาร น, นี้คือทุกครั้งที่มีเรื่องใช่ไหมคะมันจะใจมันจะแบะะบเครียดแบบกังวลแต่พอมาถึงวันนี้นั่งมองใจตัวเองเรารู้สึกอะไรกับมันไหมตอนนี้ก็เหมือนกับมันเบามันไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะอาจารย์ดีโยงงาน ม, มันก็ไม่รู้สึกอะไรมันคงงงได้เยอะมากมากๆเลยอะคะ่ะเพราะทุกครั้งจะแบบนั่งร้องไห้หรือว่าแบบ จมกับความคิดของตัวเองอะคะตอนนี้ก็เลยแบบเราอย่าไปปรุงแต่งมันเลยอะไรจะเกิดก็ช่างมันแล้วก็อย่าไปตัดสินอย่าไปปรุงแต่งพยายามแบบนี้อันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกมากค่ะคินมากเครียดไปเปล่ <ใช S 1> ป<ร>าเปล่าใให้อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปใช่ค่ะสาธุคะ่ะพระอาจารย์วันนี้ยมมีเท่านี้คะ่ะพระอาจารย์ดีใจที่ได้คุยกับพระอาจารย์นะคะหวังว่าคงจะได้ผลดีจากทางสายก็แล้วกันนะ อะไรนะอ๋อพรุ่งนี้เหรอคะอสาทุคะ่ะยมไม่แน่ใจคะ่ะเพราะว่ายมคิดว่าถ้าเราไปดีลกับเขินเหมือนเราก็รู้นิสัยอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะมคือถ้ามันทำได้มันตกลงกันได้มันก็น่าจะตกลงมาตั้งแต่แรกได้แล้วะอะค่ะคือพรุ่งนี้ก็แลแ้่แล้วแต่ยังไงก็ได้ ก็เลยแต่ก็ขอบคุณแต่แกกสมพรตาคาซาทูขอให้เป็นเป็นจริงอย่างที่พระอาจารย์ว่าค่ะยมเหนื่อยมากแล้วจริงอยากจะเอาปัญญาไปทําอย่างอื่นค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ตาทูค่ะไม่ได้คุณเนงตอบคุณเน่งถามนมัสการคพระอาจารย์มามามีอะไรไหมยังปฏิบัติอยู่ค่ะแต่ว่าวันพุธที่แล้วรู้สึกว่าเต็มเข้าไม่ได้ค่ะอ ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูก็ฟังข้างนอกแล้วก็ปฏิบัติอยู่ค่ะหน mm ู hmm. มีคำถามค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับ mm hmm. เรื่องอขันห้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ขันห้าเนี่ยคือว่าจริงๆหลักธรรมเนี่ยให้เราพิจารณาถึงกองทุกข์ที่ที่มีขันห้าใช่ไหมคะรูกเป็นแ ข, ขันห้าเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของชีวิตเราเลยร่ะูปก็คือร่างกายของเรา เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือความรู้สึกความความรู้สึกนึคิดเน่ของพวกนี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจึงทําให้เราทุกข์เนร่างกายพอมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะทุกข์เพราะเราไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ไปนาน เราก็ต้องพิจารณาตามความจริงแล้วยอมรับความจริงอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันพันยามะเวทนาก็คือความรู้สึกก็บางทีก็ทุกขงทีก็มีสุขบางทีก็มีทุกข์บางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์เราจะไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องยอมรับบางทีก็ต้องสุขบ้างบางทีก็ต้องทุกข์บ้างบางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์อดอยู่กับมันไปอย่าไปอยาก อันนี้ก็คือการพิจารณาขันห้าให้ทําอย่างนี้เด้๋วค่ะทีนี้ว่าขันห้าเนี่ยจะว่าไปแล้วก็คือว่ามีประโยชน์กับเราตรงที่ว่าให้เราพิจนารณาความทุกข์ใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกมั น, ม, น, ม, นมันเป็นมันเป็นทุกข์แต่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เราเรายังคิดว่าเป็นสุขอยู่ในเครื่องร่างกายของเราเป็นสุขอยู่ลองคิดว่าเวทนามันยังให้ความสุขกับเราอยู่อ นี่ว่าอย่างพวกพวกวิญญาณต่างๆค่ะอย่างเช่นเทพพรมทั้งถาทั้งหลายเขาไม่มีขันห้านะคะแต่เขาก็ไม่เห็นบรรลุธรรมเลยค่ะเขาเขมีขันสี่ก็ไม่มีเขาไม่มีขันเดียวเขาไม่มีรูปประคันแต่เขามีเวทนาสัญญาฐางฐานวิญญาณขันอยู่แล้วบรลุทําให้บรรุธรร ม, รรรมไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมันมีขันหรือไม่มีขันมันอยู่ที่มีปัญญาแล้วไม่มีปัญญาอ๋อสาธุค่ะ หนูคิดว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์มีขันห้าเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวที่เราเห็นทุกข์ได้ง่ายแต่เขาอ่ะไม่มีขันห้าเขาเลยก็ไม่ได้เลยเพลิดเพลินกับความสุขอย่างนี้ไหมคะเขาก็มีขันเขาก็มีเวทนาขันหนึ่งเขาก็ยังมีทุกข์เขาเวทนาน<ะ>อย่าไปสนใจกับคนอื่นเลยสนใจกันตัวเราก็แล้วกันตอนนี้<ต>เราเราเราสูกเพราเราทุกข์กับกับขันห้า ถ้าเรายังยังไม่เห็นว่าทุกข์ก็แสดงว่ายังเรายังมืดบอดอยู่เจ้าค่ะเข้าใจมากขึ้นแล้วเจ้าค่ะทําไม่มีคำถามแล้วค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะเราเห็นร่างกาเราสดว่าทุกข์แค่นี้ก่อนเจ้าค่ะถ้ายังเห็นว่ามันสุดอยู่แสดงว่ายังยังไม่ยังไม่มีปัญญาคือเห็นว่ามันทุกข์แต่ว่ามองว่าขันห้าเนี่ยแหละมันทำให้เราเห็นทุกข์ได้ชัดเจนที่สุด แล้วช่ถ้าเราไม่มีไม่ใช่ฐานห้าพูดคุณพูดงงไปหมดฐานห้าคืออะไรคุณพูดอยู่ตอนนี้ฐานห้าก็คือเ อ, อมีรูป ก, กับนามอะค่ ะ, อะเอ่าได้ไงแล้วรูป ก, กับนามมันทําให้คุณเห็นทุกข์ก็อย่างเราเห็นร่างกายของเราที่มันเสื่อมไปแล้วมันก็ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยค่ะออมันเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างเงี้ยค่ะออาได้ยังไงล่ะ มันก็เป็นสิ่งที่เราพิจารณาได้ของเราแต่ว่าถ้าเกิดอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปคิดหรอกคนอื่นแบบบอร์ควบคุมอื่นช่างเขาเอาตัวเราเนี่ยละค่ะอ่ค่ะ น, นั่นแหละเราให้พิจารณาหเห็นว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เจ้าค่ะทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจ้าค่ะให้พิจารณาอย่างนี้ถึงจะถูกไม่ต้องคิดว่าหัดขันห้ามีประโยชน์ที่ให้พิจารณา เจ้าขาใช่มันอ่มันไม่มีประโยชน์แล้วทานห้ามันเป็นทุกข์มันตอกทุกข์อ๋อเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าขาเข้าใจแล้วค่ะขอบพระ ค, คุณเจ้าค่ะอาจารย์อืมนะครค่ะ<า>อ่าคุณปุ้ยจา ก, กรักเซมเบิร์กเชิญปุ้ยกล่าวนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่ามามาคุณปุ้ยมารายงานตัวค่ะ ยังสร้างบุญสร้างบา ร, รมีทุกวันยกเว้นทำมาเยอะขึ้นเรื่อยสวดมนต์เจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมทุกวันค่ะยกเว้นวันนี้วันเนี้ยสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วอยู่ๆแบบว่าคือเราก็รู้นะรู้ตัวเว่าเรานั่งสมาธิเมื่อเช้าเนี้ยเรากะจะนั่งสามชั่วโมงแล้วแบบพอมันเลยไปถึงเสักสี่สิบนาทีแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้เพรอมาเจอตัวเองอีกทีน้อนละ่ะ <c oughs> ส ต, สติสติมันหายสติมันหายใช่หมกหมูขอโทษจริงๆเลยบอกหมกมันเนี่ยตั้งนาฬิกาไว้บอกว่า จ, จะเดี๋ยวว่ากะว่าเดี๋ยวจะมาวันนี้มันพูดนะต้องไม่ลืมต้องเข้ามาเข้าเป้าพระอาจานบอกตายแล้วว่าเพลอหลับไปเฉยเลยไม่เคยหลับกลางวันเลยแบบ ก, ก็นั่งสมาธิเราก็นั่งอยู่ดีๆเนี่นนยแหละฮะกิเล่มันชอบ <c oughs> เหลับเลยกิเล่มันชอบเหลับ ใช่ฮะตั้งใจจะดีเลยพอถึงเวลาก็ล้มเหลวไปใช่แล้วแบบคือตั้งใจมันดีเลยนะแบบแบบอุตส่าห์รับปากพระอาจารย์มาแะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดีมาตลอดเลยมาเสียวันเนี้ยเลยโอ้โห<ม>เลยบอกไม่ได้เลยบอกต้องต้องรางานอาจารย์เริ่มเริ่มต้นใหม่ได้อันดีตผ่านไปแล้วถือเอามาเป็นบทเรียนใก้ไขปรับปรุงแก้ไขหม่ จริงค่ะพระพระอาจารย์โยมนี่ก็เข็นตัวเองทุกวันไม่เคยแข่งขันกับใครค่ะแข่งขันกับตัวเองทุกวันแล้วก็แล้ฟังพระอาจารย์แล้วก็เดินหัดเดินจงกรมแต่โยมไม่รู้ทําถูกทําผิดแต่ว่าเวลาเดินโยมเดินอะโยมเดินเข้าไปในสวนแล้วโยมก็สวดมนต์เดินไปก็สวดมนต์บางทีก็พุโทโธบางทีก็สวดจกักกะพัด ส, สวดสวดไปสวดไปเคาะในสวนนี่มันมีหลายกิโล แล้วเราก็เดินกลับมาสวดไปสวดม า, มาเดินกลับมาแล้วก็รู้สึกใจมันก็โล่งโล่แล้วแบบเหมือนกับที่น้องคนนั้นพูดนะคะว่าเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากจะสร้างบุญอยู่กับตัวเราแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมันใสแล้วมันสงบเราไม่อยากเข้าไปรวมทีมหรือรวมอะไรไม่ใช่เพราะเราไม่ชอบหรืออะไรแต่เพียงเพียงเพียง เ, เพราะว่า เรามีความรู้สึกว่าถ้าอยู่ในส่วนตัวแล้วเราสามารถสร้างบุญได้โดยที่ไม่ต้องไปฟังเสียงคุยเสียงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแบบเหมือนเหมือนอย่างกับแบบมันจะมีอะไรเหมือนกับมาเตือนเราแบบอย่างเออเรากล่าว่าเ อ, อเดี๋ยวเราจะไปสวนสนุกนะแต่พอเอาเข้าจริงๆพระอาจารย์มันไม่ได้ไปหรอกเพราะมันเหมือนอะไรมาบอกกับเราว่าเอออย่าไปเลยเหมือนกับอะไรมาเตือนว่ามันไม่ใช่ความสนุกแล้ว เวลาที่ปฏิบัติแล้วเวลามันผ่านไปเร็วนะคะพระอาจารย์แป๊บเดียววันแป๊บเดียววันแป๊บเดียววันโลโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยโยมรู้สึกมันผ่านไปเร็วมากๆเลยเดี๋ยวก็สวดมนต์เดี๋ยวก็นั่งสมาธิแล้วเราตามเวลาเมึงไทยทุกอย่างเงี้ยผ่านไปเร็วมากๆเลยแล้วเราเลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้เวลามันมีค่ามากเลยไอ้เวลามันก็ผ่านเข้ามาตาม ตามเวลาของมันไปบางทีก็รู้สึกเร็วบางทีก็รู้สึกช้าอยู่ที่ว่าเรามีลายทำหรือเปล่าถ้ามีลายทํามันก็เร็วเวลาไม่มีลายทําก็รู้สึกว่ามันช้าเกินนั่งลนั่งนิ่ ง, ง, งดูนาฬกาก็ไม่ขยับทันท <c oughs> ีเนี่ยโยมก็รู้สึกว่าภูมิใจตั้งแต่พพบเจอพระอาจารย์แล้วยมก็ ปฏิบัติมาแล้วก็จดบันทึกบุญทุกวันทุกวันว่าทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างยมจบไปต้องหลายสมุดแล้วแล้โยมก็กลับมานั่งดูอีกทียอมรู้สึกอืมภูมิใจมากเลยโหไม่ต้องจนแล้วไม่ต้องจนแล้วจิตจิตเรามันจดให้เราอยู่แล้วทำบุญเท่าไหร่ทำบาปเท่าไหร่นี่มันมันมันฟังอยู่ในใจของเราว้าเดี๋ยวเสียชีวิตไปแล้วแบบ จำต้องโกงเราไม่ต้องจำหรอกบุญกับบาปกดแห่งกรรมเขาจําให้เราเอย่างอัตโนมัติโอเคนะมีอะไรไหมค่ะโยมก็ไม่มีอะไรกะจะกลับมามามากราบขอบคุณพระอาจารย์มาถวายบุญให้พระอาจารย์โอเคขอให้สุขใจทานแข็งแรงนะคะขอให้สุขเจริญให้ร่าให้รวยมีการใช้ไปตลอดชีวิตนะสาธุเจ้าค่ะโอเค ไอ้ที่เวลาพิสิทธ์นครนครกราบนมัสการพระอาจารย์ครับมีอะไรัหมก็ได้ฟังพระอาจารย์คุยเรื่องการรู้เฉยๆวันนี้ก็รู้สึกจะชัดเจนอยู่กับพระอาจารย์ก็คือถ้ากำลังของสติเราไม่พอก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธใช่ครับแต่คนที่เขามีเริ่มมีกำลังสติมากขึ้นเนี่ย ความคิดมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่จิตเขาจะจ่อลงไปในคําบริกรรมพุทโธอันนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ก็แล้วแต่เขาจะไปเขาจะไม่สนใ จ, จ ใ, ในความคิดนั้นแต่เขาจะอยู่กับคําบริกรรมพุทโธครัอาจารย์ใชใช่ถ้ามีสติเขาบางครั้งให้จิตอยู่กับพุทโธได้ครับก็ก็เอาเอาแค่นี้ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณกอลกอลฟ่จากสุราษร์ ค่อยไปหน่อยดังพูดให้ดังมาหน่อยได้ไหมลองถอดสายออกไหมคือเอเอาเอาตัวลำโพงมาพูดใกล้กล้ป่าไอตัวไมโครโฟนมาพูดใกล้กล้ป่าไม่ได้เอาไม่นะไม่มีปัญหาตอนนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยโอเคไม่เสียครับ สมาธิทำทุกวันโอเคดีเออมาสมาธิทำทำทุกวันดีแล้แล่ะสาธุก็กพอแต่ะได้ยินนะเมื่อกี้พูดกับพอจะได้ยินแต่ค่อยตอนนี้ไม่มีเสียงแนละ้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจเอาท่นนี้ก่อนนะโอเคเอะไรที่คุณหมอหน้าท้ว ก็ทำว่ากลับนัรรมะอาจารย์ครั บ, นะรรบมีอะไรไหมคุณหมอไม่ไ ม, มีเดี๋ยวสุกเสาร์ทิศนี้เข้าไปปฏิบัติถึงถึงรอบแล้วนะถึงคิวแนละรวบถึงเดือนแล้วโอเคดีครับอ ย, อ, ยอย่างน้อยเดือนสักครั้งนี้ก็ยังดีนะครับครับพยายามอยู่ครับโอเคอดี เดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์ได้ไปเจออาจารย์ครับไปเติมพลังไปเติตสมสติมสลาสติสมาธิปัญญานะครับมีเวลาประวัติปฏิบัติให้มันต่อนเนื่องครับโอเคไปที่คุณจอยต่อจอยพัทยาเข้วาวันนี้หนูจะเข้าเร็วเลยค่ะปกติหนูต้องคนสุดท้ายห น, นูก็ อันนี้สิคนน้อยก็เลยพูดก่อนก็เลยก็ปล่อยคนหน่งเข้ามาทีหลังค่ะค่ะเดี๋ยวพวกนหนูไปใส่บาตรตอนพระเหมือนเดิมค่ะโอเคแล้วหนูก็ปฏิบัติอยู่ตลอดค่ะอ่าแล้วก็สมาธิทุกวันรึเปล่านะสมาธิทุกวันค่ะอืมแต่แม่สมาธิจะชอบมากกว่าเดินจงกรมมารู้สึกสนุกมากกว่าได้ได้ยังไรก็ได้นล้วแต่เราจะชอบแล้วก็บางทีอ่าดูการ์ตูนดูอะไรดูเน็ตฟิกอือก็ ทมบริการพุทโธก็ขึ้นมาเองเลยขึ้นมาให้เราแบบนึกถึงพุทโธพุทโธเองเลยก็พอมันมาก็นึกนึกพุทโธต่อไปอ๋อดีค่ะนี่พุทอาจานี้ก่อนนะค่ะคนเก่ดบัณฑิตเป็นบัิได้ยิ น, นมไมคลาอาจารย์ได้ยินไหมครับอ จ, จนรย์ทนส ก, การครับอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามครับอาจารย์ เอระบายดีนะสบายดีครับคราวที่แล้วพอดีว่าแบตมือถือหมดครับก็เลยไม่ได้เข้ามาฟังครับอาจารย์ยังไปนวดทท่านอาจารย์อยู่นะฮะหลวงกดไปทุกวันพุธเลยครับพระอาจารย์ก็ไปดูไปช่วยนวดท่านได้นิดหน่อยครับได้วันละอครั้งละชั่วโมงครับอาจารย์เรียนสรส้เสาวนี้เนี่ใช่ครับก็มีคนมาฟังทำเยอะครับแต่ช่วงนี้จะมีฝนตกเยอะอยู่ค เหมือนมืนมันต้องลุ้นทุกวันเหมือนกันตรงนี้ครับอมันต่อก็ทำงานก็ต้องหยุดเลยท่านก็ท่านก็ทาต่อครับท่านก็ท่านก็ฝนเลยจังโลกให้ทุกเสียงจังโลกให้ใช่แต่วันนี้ก็โชคดีมากเหมือนครับสี่โมงเย็นฝนตกหนักครับแล้วก็อ่พอถึงตอนสวดมนต์ตอนห้าโมงเย็นฝนก็หยุดเฉยเลยมันก็คงหยุดเป็นธรรมชาติมาด้วยโชคดีมากครับมีใช้ไมโครโฟนลาโพงอะไรบ้างมีมีครับมีครับอาจารย์ แล้วก็บางทีก็วันวันนี้ก็มีหลวงพ่อไผ่ดินวัดสังฆทานท่านก็มามามาช่วยครับม า, มาเหมือนท่านก็เป็นสหายกันท่านก็มาโปรดญาติโยมด้วยครับอืก็มีไลฟ์ของอวัดสังฆทานด้วยครับก็ได้ญาติโยมอยู่อยู่ต่างที่ก็ได้ดูด้วยครับพระอาจารยาก็ดีท่านสมัย<ช>สื่อสารท่านสมัยใช่ครับเพิ่งไึ้ยินว่าอาจารย์เหมือนกันว่าเอาออ า, อาจารย์ไม่ต้องเดินทางไปไหนก็สามารถเทสได้ครับอื ตอนนี้ก็เห็นบางท่าบางพี่บางท่านก็บอกว่าเออ่เหนื่อยจากการทํางานรู้สึกเหมือนกันเลยครับก็ได้ปฏิบัติตอนเดินไปทํางานตอนขึ้นรถไฟฟ้าก็อาศัยช่วงไงครับเดินแล้วก็กําหนดพุทโธพุทโธครับอาจารย์พยายามเท่าที่พยายามจะพยายามิบได้ทั้งวันตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนใช่ครับหรือว่ากินข้าวแล้วก็พยายาม กินกินรู้สติกับการกินอะไรเงี้ยพยายามไม่ดูมือถืออะไรเงี้ยครับหยุดความคิดอย่าไปพยายามทำที่อาจารย์สอนเลยครั บ, รบ ไ, ได้สติมากขึ้นใจยัได้เบาขึ้นเย็นขึ้นใช่ครับก็ช่วงนี้ก็เป็นเหมือนกันครับอย่างลูกค้าบางทีคุยปุ๊บมันแป๊บหนึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงแบบสรวจไปแล้วแต่นี่เนี้ยพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเรามีสติรู้ทันเออเงีย บ, บแป๊บหนึ่ง พอมันเอาเห็นความโกรธมันดับลงปุ๊บอ่าแล้วก็คุยต่อเลยครับมันเหมือนเข้าใจความคําว่าสติแล้วว่ายิ่งมีสมาธิก็สติมันจะทําให้รักษาความเป็นปกติรักษาสิ่งได้ดีขึ้นครับอาจารย์โอเคทูกต้อาถูกครับอาจารย์แค่ <laughs> นี้ก่อนนะครับขอทราบถึอาจารย์แข็งแรงครับเอแม่ต้องเห็นเชนแม่ต้องเห็น น้องมิ้ได้ยินไหพระอาจยได้ยินหนูไหมคะได้ยินแล้วได้ยินแล้วพอดีวันนี้มาฟังค ถ, ถามคะ่ะพระอาจารย์เออวันนี้มาฟังเฉยๆไม่ไม่มคบถามเจ้าค่ะพะอจาูว่าเปิดพราะรอาจารย์ได้ยินค่ะมีเสียะงะนั่งรออยู่เลยพะอาจารย์โทษทเจ้าค่ะ พอดีเพิ่งกลับบ้านค<ช>่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรใช่ไหมความเฉยเฉยไม่มีใช่ค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามใชค่ะไม่มีก็เท่านี้ก่อนนะโอเคนะค่ะพระอาจารย์โอเคเอที่คุณสุภาพร์เชิญคุณสุภาพร์อยู่ที่ไหนคุณสุภาพรครั เรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะเอมีอะไรไหมเข้าครั้งที่สองค่ะพระอาจารย์อ่าลูกใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการทําสมาธิเจ้าค่าอะอพอดีช่วงนี้รู้สึกว่าอเราเวลาเราทําสมาธิเราดูลมหายใจดูจิตตัวเองมันรู้สึกว่าละเอียดขึ้นชัดขึ้นอย่างนี้เจ้าค่ะอแล้วก็เหมือนมีสติเยอะขึ้น เวลานั่งเมื่อก่อนจะคิดเรื่องน้นเรื่องนี้บ้างแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มากเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเป็นได้สักสองอาทิตย์แล้วเจ้าค่ะก็ดีแสดงวช่ช่วงนี้สติดเราดีพยายามรักษาสติให้ให้ต่อเนื่อยพยายามฝึกฝึกไปทั้งวันเจ้าค่ะแล้วลานั่งสมาธิจะจะจะจะสงบได้เจ้าค่ะ สังเกตก็คือนั่งช่วงเช้านี่รู้สึกว่าเห็นชัดขึ้นแล้วพอช่วงบ่ายลูกนั่งแล้วลูกก็เปิดธรร ม, มะฟังไปด้วยฟังได้คือคือมันเหมือนมีอ่าชัดขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ง่วงอย่างนี้เจ้าค่ะอืดูลมหายใจตัวเองได้ตลอดเวลาในในขนาดที่นั่งสมัค ฟ, ฟังธรร ม, มะด้วยประมาณชั่วโมงอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมคะเจ้าค่ะเวลาฟังทำก็ไม่ต้องดูลมก็ได้ฟังเอาเอาเสียงทำแทนแทนลมก็ได้เจ้าค่ะแต่จะดูลมด้วยก็ได้ถ้าแล้วแต่แต่ถ้าฟังอย่างเดียวมาจะทำให้เราเข้าใจธรรมะได้ดีขึ้นกว่าเจ้าค่ะดูลมเจ้าค่ะก็ดีแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเนี้ยถูกต้องฟังทําจะได้ทั้งสมาธิได้ปัญญาด้วยได้ความเข้าใจ ในเรื่องราวต่างๆเจ้าค่ะอาจารย์ดีควรจะฟังทำรรอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นการศึกษาแล้วก็เป็นการปฏิบัติไปพร้อมๆกันค่ะในขณะที่ลูกนั่งสมาธิก็คือช่วงบ่ายนี้จะเปิดฟังทำด้วยพอช่วงไปรับลูกที่โรงเรียนก็อ่านั่งรถไปก็เปิดอันนี้ได้ของพระอาจารย์ฟังตลอดเจ้าค่ะอ่ะดีแต่ต้องมีสติอยู่การขับรถนะอย่าไปอยู่ที่การฟังทำอย่างเดียว เจ้าค่ะนอกจากว่าถ้าเราไม่ได้ขับก็ไม่เป็นไรถ้าขับรถนี่ต้องมีสติอยู่กับการขับรถก่อนเจ้าค่ะค่ะโอเคดีไม่มีคําถามอะไรนะไม่มีแล้วเจ้าค่ะขาบขอบคุณพระอาจารย์เจ้ า, าอ่าสาธุอันนี้คุณปิยะวัฒน์คุณปิยะวัฒน์เชิญอยู่ที่ไหนกรับนวมบุรีพระอาจารย์ครับโยมอยู่ที่กําแพงเพชรคับอาจารย์โอเคมีอะไรไหม ในในชีวิตประจําวันโยมครับอาจารย์เดี๋ยวเนี้ยโยมสังเกตว่า AI ครับที่เป็นหุ่นยนต์มันฉลาดขึ้นทุกวันเลยครับอาจารย์อืแล้วตอนนี้มันก็มีร่างกายแล้วครับมันมีแขนขาตอนนี้มันมีสมองคิดได้แล้วครับอาจารย์มันมี ป, ประสาทสัมผัส ต, ตาหูได้ได้ยินแล้วครับแล้วก็มีแขนขาโยมครับนึกว่ามันแล้วอะไรที่จะทําให้คราวนี้มันก็จะกลายเป็นคนเหมือนเราได้ใช่ไหมครับ แล้วจะมีอะไรที่เราจะทําให้เราคนเรายังต่างหรือทําให้เรายังต่างจากกุ่มยนต์ได้เพราะมันเริ่มจะมีเออ่ขันเหมือนเราแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็อย่าไปสนใจมันเลยมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันให้เรามาสนใจตัวเราดีกว่าครับอาจารยครับ <พอ S 1> ผมอาจารย์ให้เรามาให้เรามาศึกษาให้เรารู้จั ก, จกอริยสัจสีกับตายรักจนดีกว่า คุณโยมมันจะฉลาดหรือไม่ฉลาดนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเรามันก็อย่างมากมันก็มันก็มันก็มันก็จะฉลาดเท่ากับคนที่สร้างมันขึ้นมาเท่านั้นแหละมันจะไม่ฉลาดกับคนที่สร้างขึ้นมาไม่ได้ครับผมครับงันกเน็เหมือนเหมือนชิดฟุ้งฟุงไปครับอาจารย์อกลับมา <c oughs> ที่ตัวเราดีกว่า ครับผมทายัางไงให้ใจเราสงบทำยังไงให้ใจเรามีความสุขดีกว่าครับผมได้ครับพวกนี้มันไม่รู้จักความสุขมันเป็นยังไงมันไม่สามารถสัมผัสรับรู้กับเรื่องของความสุขได้ความสุขความทุกข์มันไม่รู้ครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วนะ มีคำถามเดียวครับอาจารย์โอเคแลก็ขกขอบคุณพระอาจารย์ครับจ้าคือจ ะ, จะมีใครอยากจะพูดอะไรไหมตอนนี้ก็ไปที่คุณจุ๊บก่อนแล้วกันจุ๊บ ม, มีคำถามมาจากเฟซบุ๊กไหมอา่ามีแค่คำถามเดียวค่ะพระอาจารย์คะคำถามจากคุณสุดาค่ะเอ่ออยากขอถามค่ะว่าจะทําบุญอยากทำบุญให้พระอาจารย์ค่ะต้องทําอย่างไรคะรู้สึกว่าตัวเองกรรมหนักจึงอยากทําค่ะอ๋อก็ ทำก็ลองติดต่อทีมงานดูว่าแล้วกันว่าจะทำอย่างไรเนีย่ยทีมงานเขาจะให้ข้อมูลไปทีค่ะไม่มีแล้วค่ะโอเคตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาอยู่ในใครอยากจะถามคำถามอีกไหมยกมือขึ้นหนะ้าคุณคันชิตนะ ค, คันชิตก่อนครับอยากถามพระอาจารย์ครับว่านั่งไปแล้ว มันมันนิ่งไปนี่หมะยความวนมันนิ่งแบบหลับแล้วนิ่งแบบไม่หลับนิ่งแบบเราเราเรารู้ว่าเรานั่งอยู่ครับแต่ว่ามันมันเป็นมืดมืดไปครับแล้วมันสบายไหมล่ะสบายครับเวลาเป็นยิ้มยิมเป็นเหมือนเรายิ้มเป็นเหมือนเรายิ้มอยู่ข้างในครับถ้ามันมีความสุขก็ใช้ได้ก็ดีเรียกว่าความสงบเหมือกัน พระอาจารย์คนที่คุณอ๋ออ๋อพี่เคอพระอาจารย์เจ้าคะลูกอะติดความไม่สบายใจอยู่เรื่องหนึ่งเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงไว้เจ้าคะ่ะได้ยินได้ยินคุณแม่ได้ก็คือว่าเรื่องอ่าคุณพ่อกับคุณแม่ของลูกที่อยู่ที่น่านเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ก็คือลูก ถ้าจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจคือเรื่องนี้เจ้าค่ะคือว่าเหมือนกับว่าลูกอ่ะยังไม่มีกําลังทัพย์ที่จะส่งให้ท่านแบบได้อยู่สบายอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าท่านจะเหมือนกับยังค่าค่าติดค่าไก่หนึ่งอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีก็ไม่มีก็แล้วกันไม ย, ยอมรับสภาพความเป็นจริงของเราไปยังทําไม่ได้ครับยัทําไม่ได้นั่นเอง<ม>เหมือนกับว่าแม่แม่ขายคลองนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็แบบ บางทีก็ค่าค่าเป็ดข้าไ่ายไปแกงแล้วก็ไปถาในในนี้เจ้าค่ะแต่เคยลูกเคยมีแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าแม่ก็บอกว่าก็คือมันหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ก็ป็นเรื่องของท่านไปเรบก็ทําอะไรไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะก็<ต>คือ<ม>ลูก <ไป S 1> ก็โอเวคขาไปข้างนึงจ้าค่ะ ทำได้ก็ส่งเงินไปบอกแม่มันจะไปใช้เลิกเลิกทําอาชีพนี้ได้แล้วถ้าทําไม่ได้ก็ต้องไหว้ท่านทําท่านต่อไปวันนี้ให้เงินท่านท่านก็ไม่ไม่แฮปปี้ happy, ท่านยังอยากจะทําอยู่เพราะเปนเรื่องของท่านก็ดีเรื่องของบุญของบาปของแต่ละคนมันติดตัวมาค่ะเพราะว่าอย่างบางทีถ้าลูกมีกําลังลูกก็ส่งไปเช้าค่ะพระอาจารย์ตามมากตามน้อยอะไรค่ะตามกําลังอ ะ, อะไรนี้เจ้าค่ะ แต่ก็ติดที่ว่าเป็นห่วงท่านเรื่องนี้ก็จาขาดที่ติดก็นั่นหละยังทำยังไงได้ล่นะห่วงไปแล้วมันได้อะไรหรือเปล่าห่วงก็ทํำอะไรไม่ได้ก็อย่าไปห่วงมันเสียวเวล า, ม า, มาหรืาใปล่อุเบกขาใช่ไหมเจ้าค่ะอุเบกขาไปไโอเคนะพ่อจ้าอีกหนึ่งคําถามเจ้าค่ะอะ กานที่ร่างกายเบาเจ้าค่ะเหมือนบางทีรูปแผ่ไม่ตา ย, ยางี้เจ้าค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราลอยอยู่กลางอากาศเจ้าค่ะพระอาจารย์มันไม่มีร่างกายหรือยังไม่ใช่สมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าอุปทานเกเองเจ้าค่ะไม่แล้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นการต่างนะมันจะเป็นอะไรก็รู้ตามความเป็นจริงของมันแล้วกันอือเจ้าค่ะหมดคำถามแล้วเจ้าค่ะกลับเขาเพื่อคือเจ้าค่ะโอเคเดี๋ยวคุณเถ้าภาพอนรอเดี๋ยวนะมีคุณจาเข้ามาพี่อาจารย์ก่อนคุญจา ก, ก่อน น้มาักาการค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูมีสามคำถามค่ะคือคำถามแรกคือหนไปอ่านเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วหนูก็อยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นกับตรงต้นสายอะค่ะคือที่เริ่มต้นว่าด้วยความที่มีอวิชชาคือความไม่รู้มันก็เลยทำให้มีการปรุงด้วยสังขารทั้งหลายตรงนั้นหมายถึงการเอาธาตุหกที่มีอยู่มาปรุงขึ้นมาถูกไหมคะ ตรงคาว่าสังขารทั้งหลายไม่หรอกไม่หรอเ้ามาทเออเอคุณต้องปลีนคุณต้องเปลนอะไรักยาเนเะรื่องของคุณมีเสียงเปิดอยู่มีเสียงอะไรนะคะเสียของเรามันมันฟีดแบคกลับมาผมตัดแล้วครับมผ ม, ผ ม, ผ ม, ผมตัด น, นั้วคุยได้แล้วครับโอเคคือสังขาร น, นี่คือความคิดของเราไงนี่เราจะคิดไปทางไหนนะเราคิดจะไปทางธรรมแล้วคิดไปทางกิเลสนี่ถ้าเราเป็นกิเลส มีอวิชชาเป็นกิเลสอวิชชามันก็เลยดันให้เราคิดไปทางกิเลสทางกิเลสก็คือไปหาความสุขจากโลกธรรมหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เลย ส, งส่งให้เราสร้างให้เราสร้างให้เราไปเชื่อมกับร่างกายเพราะเราการที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เราต้องมีตาของจมูกลิ้นกายโดยอาศัยวิ ญ, ญญาณเป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตกับร่างกาย อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือจุดระหว่างสังขารกับนามรูปที่มีวิญญาณอยู่ตรงกลางก็คื อ, อนนกออ็วิญญาณเปเชื่อมนามกับรูปเนี่ยนามก็คือสังขารรูป ก, ก็คือร่างกายค่ะทีนี้จุดที่สังสังขารที่มาก่อนวิญญาณตรงต้นสายกับนามรูปตรงส่วนที่เป็นนามซึ่งมาหลังจากวิญญาณอีกทีอะคะ่ะ อันนี้คือพูดถึงนามของขันห้าหรือเปล่าค่ะแล้วสังขารที่อยู่ต้นสายคือไม่ใช่ส่วนของสังขารของขันห้าหรอค่ะสังขารก็คือนามไงอือหนูยังงงว่ามันคือเหมือนมันตีกันว่าสําหรับหนูสังขาร ม, มันอยู่นามนมีอยู่สี่ตัวนามรูปเสียงนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่านามค่ะรูปก็คือร่างกายเอ่ เมือม่อเมือ่อเมื่อนามมาเชื่อมกับร่างกายด้วยสายวิ ญ, ญญาณเป็นตัวเชื่อมื่อใหญ่มไปสังขารไปที่วิญญาณวิญญาณก็ไปเกาะที่ตามองจ ม, มูกนิ้วกายแล้วพอลุพอตาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เข้ามาที่ใจผ่านทางวิ ญ, ญญาณเข้ามาเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็เกิดความอยากขึ้นมา ถ้าเป็นความสุขก็อยากจะได้ถ้าเป็นความทุกข์ก็อยากจะหนีเมื่อเกิดอุปทานขึ้นมาตามมาถ้าสุขก็กจะติดติ ด, ต, ด, ต, ด, ต, ดติดสุขถ้าทุกข์ก็ติดติดทุกข์ติดหนีความทุกข์มันพอมันมีอุปทานมันทำให้เกิดในภาวะใหม่ขึ้นมา อยากจะได้ความสุขอยู่เรื่อยๆเพราะความสุขนี่หมดก็ไปหาความสุขใหม่ก็เลยต้องไปเกิดใหม่เวลาร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่พอเกิดก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่นี่คือปฏิจจส ม, มุปบาทถ้าเราต้องการจะตัดวงจรนี้เราต้องมาตัดที่วิชาสอนให้ให้มีปัญญาว่าไปทางนี้เป็นทางที่ไปสู่ความทุกข์ให้ไปทางธรรมให้เป็นทางสู่ทางศีลสมาธิปัญญา สู่การปฏิบัติทางศีญภาวนาเพื่อที่จะได้ไปตัดเวลาเกิดเวทน า, นาจะได้ตัดความอยากตัณหาได้แล้วก็ตัดอุปทานได้พอตัดตัณหาตัดอุปทานภาวะก็ไม่เกิดไม่มีก็เมื่อไม่มีภาวะก็ไม่ไม่มีไม่มีการเกิดแก่เดียตายต่อไปอ okay, ปัญญายางนี่เคยเรียกว่า ะใช่ค่ะอันนี้เข้าใจแบบว่ายังติดอยู่ตรงที่กลับไปที่ตรงต้นสายที่ว่าพระอาจารย์บอกว่ามีวิญญาณเป็นตัวเชื่อมระหว่างสังขารกับอนามรูปทีนี้ส่วนที่หนูงงคือหนูมีความรู้สึกว่าคําว่าสังขารมันโชว์สองครั้งอะค่ะครั้งแรกคือก่อนวิญญาณแล้วครั้งที่สองคืออยู่ในหมวดนามรูปซึ่งซึ่งในหมวดนามที่พระอาจารย์บอกมีสี่ข้อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ใช่ไหมคะทีนี้มันเหมือนสาหรับหนูตามคพรู้สึกที่หนูเข้าใจก็คือทําไมคําว่าสังขารกับคาว่าวิญญาณมันถูกแยกออกมาเป็นหมวดของมันเองและนามรูปมันก็อยู่ของมันอีกมันเหมือนมันพูดซ้ำสองรอบอ่ะค่ะหนูก็เลยงงตรงนี้พี่ไปงงมันทําไมก็รู้ตามความคิดเขาสอนก็แล้วกันก็มันเป็นอย่างนี้คุณยังไปถามว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ไง ถ้ารูต่างความจริงตรงนั้นมันไม่สําคัญไปดูตรงที่ตัวเวทนาตัวเวลาตาไปเห็นรูปแล้วเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วเกิดความอยากขึ้นมาให้ไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าโอเคค่ะตัวปัญหามันอยู่ตรงตัวความอยากค่ะเห็นรูปไปชอปิ้งเห็นกระเป๋าสวยก็ทำมาอยากได้ใช่ไหมใช่ไหมค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะหนูไปคําถามที่สองเลยเรื่องของการปฏิบัติค่ะคือ หนูเคยได้ยินว่าอบางครั้งก็มีการอแนะนําว่าการนั่งสมาธิให้นั่งจนผ่านจุดที่เป็นความเจ็บปวดเป็นเวทนาแต่บางครั้งก็เป็นการแนะนําว่าอ่าให้นั่งแล้วก็เปลี่ยนอาญาบทเป็นเดินแล้วก็เป็นนั่งคือจริงๆแล้วมันที่ที่แนะนําต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาของผู้ปฏิบัติถูกไหมคะคือถ้าจะปฏิบัติทั้งคืนถ้าเราอยางจะผ่านเวทนาแล้วก็ต้องนั่งไม่ไม่กระยับ ให้เวทนามันเกิดมันดับเอง <Okay. S 1> แต่ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะถึงขั้นนั้นเวลาเราเจ็บเราก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนทิศทาบนเดินโอเคค่ะอันนี้เพื่อที่จะให้ทั้งวันฝึกสติไปก่อนอใช่ีเจนกว่าเราจะมีคิดว่าเราสู้เวทนาได้เราจะนั่งแบบไม่ขยับให้เวทนามันเกิดมันดับของมันเองโอเคค่ะทีนี้คําถามสุดท้ายเรื่องของสีนค่ะเรื่องอคือถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้หนูเกิดเป็น ความรู้สึกไม่พอใจความโกรธหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งหนูรู้ตัวว่ามันเป็นพอกิเลสของหนูเองมันเป็นที่สติของหนูไม่ดีพอทีนี้พอเวลามีคนถามหนูก็ตอบไปว่าเออไม่ได้เป็นอะไรซึ่งมันก็คือจริงๆก็เป็นการโกหกเพราจริงๆแล้วเป็นอะไรแต่อย่างเนี้ยมันไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลถูกไหมคะเพราะว่าจะถือว่าเป็นผิดศีลต้องเป็นการทําความเดือดร้อนให้คนอื่นถูกไหมคะก็มันก็มันก็ยังผิดอยู่น ะ, ะเพราะมันยังไม่พูดความจริงใช่ไหม ก็ uhm อย่าไปพูดเถ้ามันร่วนพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเฉยๆไปอืเงอบอกไม่ขอตอบได้ไหมบอกไม่ขอตอบได้ไหมโอเคค่ะจะได้ไม่ง้นเดี๋ยวมันจะเป็นข้ออ้างมัเรื่อยโกหกไปเรื่อยว่าโกหกแล้วไม่ไปถามคนอื่นเดือดร้อนเราจะไปรู้เลยเ่าเดือดร้อนแล้วไม่เดือดร้นกลัวมันจะยาวค่ะอาจารย์ถ้าหนูตอบว่า ผมไม่ตอบก็คือเหมือนเป็นในในว่าอ้าวถ้าสบายดีทําไมไม่ตอบก็สบายดีก็แสดงว่าต้องมีอะไรอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยแบบไปเรื่งของเราก็เรื่องของเราไปเขบอกไม่ใช่เรื่องของมึงแค่นั้นโอเคค่ะสาธุค่ะยังมีคาถามแค่นี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะคุณสุภาพรยกมือใช่ไหมคุณสุภาพรอย่าพูดอยู่ก็ได้ เจ้<พ>าค<ช>่ะพระอาจารย์<ช>ลูก<ช><ช>อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยสอนในเรื่องของการใช้ปัญญาหลังจากเวลาที่ลูกนั่งสมาธิเสร็จทุกครั้งคือส่วนใหญ่เวลาเสร็จทุกครั้งก็จะปะก็คือจะทําอย่างอืง่นไปเลยอย่างนี้เจ้าค่ะเอปัญญาก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเบื้องต้นพระเจ้าสอนให้เราเรียนรู้เรื่องโลกธรรมก่อนราบยศเสริญสุขว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง มีเจริญก็มีเสื่อมได้มีการเจริญลาบก็มีเสื่อมลาบได้มีเจริญยศก็เสื่อมยศได้มีการเจริญสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์นี่คือสิ่งที่อยู่ในโลกธรรมมันไม่มันไม่เที่ยงขึ้นขึ้ น, นลงลงถ้าเราไปเราไปติดกับมันเราก็จะทุกเวลาที่มันเสื่อม ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เรก็อย่าไปติดกับราภยศสเสริญสุขให้เราอย่าไปหาความสุขจากราภยศเสริญสุขเจ้าค่ะอ ย, อย่างที่เมื่อกี้มีคนหนึ่งเขาบอกว่ามีคนมีมีคนบอกให้ไปไปไปสมบัครเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเขาบเขาไม่เอานะเขาเห็นมันเป็นทุกข์เจ้าค่ะอืถ้าเราเข้าใจโลกธระทำเราปล่อยวางโลกกระทำได้เราก็ลองมาพิจารณาร่างกายของเราต่อไปร่างกายของเราเที่ยมหรือไม่เทียม มันเกิดมาแล้วมันตายหรือไม่ตายถ้ามันตายแสดงว่าไม่เที่ยงแล้วเราห้ามมันได้เปล่ามันเป็นะห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ต้องยอมรับความจริงเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไปอยากให้มันไม่ตายเราก็จะทุกข์ต้องสอนใจแบบนี้แล้วเวทนาก็เวลามันเจ็บร่างกายมันเจ็บแล้วห้ามมันได้หรือเปล่าลราห้ามมันไม่ได้ จะให้มันหายไปก็ไม่ได้จะให้มันมีแต่ ส, สุขเวทนาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหนียวสุขเหนีนนนยวทุกข์เราก็ต้องหัดทําใจอยู่กับมันได้ทั้งหมดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้อันนี้ก็สอนใจ น, นี่เรียกว่าปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นตายรักทั้งหมดทุกอย่างไม่นตายรักหมดที่มันทําให้เราทุกข์เพราะเราปริยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเอง ปรยัดให้มันเที่ยงของมันไม่เที่ยงจะปรยัดให้มันเที่ยงของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้จะปรยัดควบจะจะปรยากให้ควบคุมบังคับได้พอควบคุมบังคับไม่ได้ก็เสียใจทุกใจอย่าไปควบคุมบังคับปล่อยมันทุกอย่างไปเป็นตามธรรมชาติของมันไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดอะไรจะมันดับก็ปล่อยมันดับไปเท่านั้นเองเจ้าค่ะนี่คือปัญญาสอนใจเรา ทำตอนที่เราอยาสมาธิได้เพราะตอนนั้นใจเรามันมันสงบมันไม่มีกิเลสแต่พิจารณาไปทักภากเดียวกิเลสมันเริ่มมีกำลังมันก็จะเรงเราไปคิดทางอื่นละทางกิเลสแทนอันนั้นอย่างดีแค่นี่ก็ดีขึ้นมาอยากจะไปเที่ยวนั่นอยากไปเที่ยวนี่ขึ้นมาทันทีเจ้าค่ะอถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็ต้องก็ต้องตอบมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นอ่ะสิ่งที่กิเลสอยากให้เราไปหานี่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นก็ไม่เที่ยว มีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลูกนั่งสมาธิแล้วลูกเห็นซากเท้าเท้าของตัวเองสองข้างนะคะเป็นซากเป็นซากเป็นอ่าโครงกระดูกเจ้าค่ะแล้วก็ศีรษะก็เป็นโครงเป็นหัวกระโหลกลูกก็เลยเอยทุกครั้งก็จะเออไม่บางทีทำํำนึกนึกถึงการจะใช้ปัญญายัางไงไม่ได้ลูกก็เอาภาพที่ลูกเคยนั่งแล้วเห็นในนั้นนะคะมามมันดูว่าเออสุดท้ายเราก็เป็นซากเป็นซากศพอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ ได้อันนี้ก็เป็นการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายในสุดก็ต้องตายไปและไม่ใช่ของเราของทุกคนก็เหมือนกันหมดเลยเจ้าของเราด้วยของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเพื่อนของสามีของภรรยาของลูกของหลานะในที่สุดก็ต้องกลายเป็นกระดูกไปหมดเพราะยิงมันเป็นกระดูกเป็ลาดเแต่เรามองไม่เห็นนั่นเงเจ้าค่ะนี่ก็คือปัญญาทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะ อาจจขาใจยังเข้าใจเจ้าค่ะเราจะได้เราจะได้ปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครก็ตา ม, มวันหนึ่งก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงเจ้าค่ะพอดีช่วงนี้ลูกไอเอพ่อของลูกนะคะไม่สบายแล้วท่านก็จะเกิดความกลัวอยากที่จะหายก็คือกังวลมากส่วนตัวลูกเองก็<ม>ก็เห็นอาการท่านอยู่แต่ใจของลูกก็คือรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ไปทุกทุกใจกับท่าน ลูกก็เลยคิดมาเออตั้งแต่อ่าเราปฏิบัติทำมาคือคือคือทําให้เรารู้สึกแบบนี้ตัวเองก็มาคิดว่าเออทําไมเราเฉยจังเลยแต่ว่าเวลาพาไปหาหมอไปที่ไหนลูกก็พาไปหมดแต่เราเราเร า, เราเฉยกับความรู้สึกเนี้ยเราจะบาปไหมเจ้าคะ่ะไม่บาปเราทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วก็ยังรักท่านอยู่เหมือนเดิมยังอยากให้ท่านหายอยู่แต่มไม่หายให้ทํำยังไงนะแล้วค่ะใช่ไหมค่ะไม่บาปหรอก เราก็ยังมีความบาถนาดีไม่ใช่อยากให้หายไหมอยากให้หายถ้าไม่อยากให้หายก็คงไม่พาไปหาหมอใช่ไหมค่ะอยากให้หายแต่ว่าใจลูกนี่ยก็คือไม่ได้ไปทุกตามอาการที่ท่านเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะคนละเรื่องกันอันนี้เป็นการรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับอะไรเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะดีแล้วล่ะเราต่อไปเราต้องไม่ทุกข์กับร่างกายของเราด้วยต่อไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นเหมือนของพ่อเราตอนนี้ เจ้าค่ะอยู่ตอนนั้นว่าเราจะรู้สึกไงถ้าเกิด<อ>ไปหาหมอมาหมอมหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเราจะรู้สึกไงจะเฉยได้ไหเไปถามตัวเองดูมผ่านผ่านมาเมื่อหกปีที่แล้วที่ลูกบอกว่าอ่าเป็นเอ e เอลนี้ยหาลงตตอนนั้นทุกใจมากเจ้าค่ะอืมเพรฉะนั้นกลัวตายค่ะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเออมันเป็นอะไรที่มันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างนี้เจ้าค่ะ ก็เฉยได้แล้วเห็นไหเจ้าค่ะก็ดีเนี่ยปัญญาปัญญาปัญญาทําให้เราเฉยได้เพราะเรารู้ความจริงว่ามันไม่เที่ยมร่างกายมันของไม่เที่ยมเจ้าค่ะโอเคค่ะขอบขอบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าดูขอบคุณหมอหน้าทวุฒิตาหมอหน้ทวุฒิเด่นนุ่งวดพอดีเห็นอภักดีเทศพระอาจารย์เอา คุยเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็บอกให้พูดถึงเรื่องของอมาพิจารณาตรงเวทนาให้ดับในความอยากตรงนั้นนะพอดีก็เลยเปไปติดตรงข้อธรรมที่ผมเคยดูจากพุทธวจนะนิดนึงตรงปัญหาท่านอุทยมานพมาครับที่บอกว่าทำยังไงปฏิสนธิอิน ญ, ญาียถึงจะดับแล้วก็ท่านก็ตอบว่าให้มีสติทํา น, นทนบปิดกั้นนะไม่ไปเพลิดเพลินกับไอความอยากทั้งหลายเนี่ย ก็เลยก็เลยเกิดเป็นข้อสงสัยนิดหนึ่งครับว่า้ปกติการที่เราปฏิบัติจนกระทั่งไปถึงขั้นบรรลุธรรมอะไรข้างหลังนี่คือเรามีสติปฏิบัติจนกระทั่งมีสติแล้วก็มีปัญญารู้และเห็นอยู่ตลอดเวลาเป็นมหาสติมหาปัญญาหรือว่าเราเข้าไปปรับไอ้ตัวใจเราจนกระทั่งกิเลสจนกระทั่งความอยากมันหายไปหมดนะครับก็ทุกครั้งนี่มีความอยากเราต้องใช้ปัญญานะครับปันไงครับอะ ก็คือเห็นก็คือมีคล้ายๆกับปฏิบัติครับมีสติรู้ตลอดแล้วก็เห็นความจริงใจอยู่างที่ตลอดอยากจะอยากจะลถคันใหม่อย่างเงี้ยก็ต้องตัดมันให้ได้ถ้าคันเก่ายังใช้ได้อยู่แปเอคันใหม่ทําไมชครับครับแล้วก็คือมีมีอ่าใช้ใช้ตัวครับมีก็คือมีสติตามแล้วก็เอาเอาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็สติตาแล้วที่ท่านที่บอกว่าแต่ ถ้าอยากอยากได้รับยศสารเสริญก็โานาณนุสติถ้าอยากเป็นเรื่องของกรรมราคะก็ อ, อสุภาเข้าไปจัดการใช่ไหมครับก็คือก็ปฏิบัติให้มีสติแล้วก็มีปัญญาตา่ำเห็นแล้ว ก, แวก็แล้วก็รู้ว่าตัวว่าเราอยากอะไรแล้วไปหยุดตรงนั้นนะครับอืครับอ่าครับผมการจะใช้ปัญญาแล้วก็ต้องมีสติก่อนทับอ่านครับ มิจตเดอร์ู้ว่าเรานี้ยกำลังมีกิเลสแล้วเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะทำยังไงดีครับก็เป็นอริยสัจให้ทุกําหนดรู้แล้วก็ไปจัดการนี่ตรงนั้นครับทีนี้ไอ้การปฏิบัตินั้นให้ให้เกิดความสงบนี่มันก็ต้องมันต้องสงบแบบลึกเลยใช่ไหมต้องต้องเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนมันก็ต้องเปิดกลับครับอ่ะถ้าไม่มีอุเบกขาพอเกิดความอยากมันก็ไหลไปตามความอยากมันไหลไม่ได้ก็ต้องกลับเหมือนจะกลับทิศในการมองก็เปลี่ยนใจว่าไอ้ความสุข ที่ออกไปข้างนอกให้กลับมาสุขจากข้างในใช่ไหมครัอให้เราสบายภายนอกเป็นทุกข์เป็นความสุขปลอมสุขชั่วคราวเพราะมันไม่เทียมอันนี้อีกอันหนึ่งผมก็ติดอยู่นิดหนึ่งตรงที่คือถ้าเราผูก็คิดว่ามันก็สงบมันก็ดีฮะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สงบถึงท่านที่แบบลึกเหมือนที่ที่ท่านได้สัมผัสอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบก็ยังแบบ มันก็แต่กรณีถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเกิดปฏิบัติออกไปแล้วมันไม่ไปถึงขั้นนั้นมันก็ยังยินดีอยู่ยังยินดีกับความสุขภายน อ, อยู่ครับอใช่ครับใช่ครับนแ้่ถ้าเรามีความสุขภายในเต็มที่แล้วเราก็จะเฉยเฉยกับความสุขภายนอกได้ครับอ่าครับมันจะทําให้เราตัดได้ง่ายกว่าเห็นได้เป็นยาเป็นทุกข์แต่ถ้ายังยังไม่มีความสุขภายในถึงแม้จะเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ยังเอาน่ะหน้า ไม่มีตัวแทนครับถ้าเกิด่ต้องออกไปปฏิบัติแล้วเราไม่ถึง้ตรงนั้นมันก็สูตรไม่ตัดไม่ได้ถ้าไม่ตัดไม่ถ้าจไปถึงกันได้ครับอต้องให้ถึงความสุขภายในให้ได้เต็มเต็มที่ก่อนเต็มร้อยครับใช้ได้อุเบกขาก่อนคะอุเบกขาตัดใจมันจะอิ่มมันจะพอแล้วตอนนั้นมันจะตัดอะไรก็ตัดได้ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่เที่ยงครับนไเข้าใจไหม เข้าใจครับแต่ตรงนี้มันแยากครับแล้เราพยายามฝึกสติสมาธิให้มากมากก่อนแล้วมันจะเข้าล็อกของมันเองอืมครับไปอยากมันก็ไม่ได้มันก็จะจะไปติดตัวทอย่างนะครับยิ่ก็ยิ่งเป็นทุกข์ขึ้นใหม่พอไปอยากไม่บอกว่าอยากโอเคนะถ้าผมครับอยากไปได้ปกติโอเคเวลาวันนี้หมดพอดีก็ขอให้กอขอยุดติการสัตยธรรมไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงนมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฝากไปพินิจิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ